ถ้าทำมเทศนาของท่านหลวงตาแลองศักดิ์ีนาลรโญตอนนานาปัญหาของนักภาวนาตอนที่สามเอาพูดหมายพูดหมายอะ ตปฏิบัติเราไม่เราไม่เคยคิดอย่างนี้ตอนเราเปฏิบัติน้าเป็นารวะและอย่างี้ไม่อยู่ไม่อยู่ในใจของเราพอมันแับเปที่เราไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับความตายความน่าผืผูพางความสลายเนี่ยเราไม่เอมันคิดพวกเราขาดเลยตะกเดนเลยแล้วเราคิดพิจารณาไปอย่างเดียวเราไม่ไม่เอาเรื่องนัคิดมั่วๆอย่างอื่นเข้ามาเลย เออเร่องใายอย้างนี้เยคือหแล้วเออไม่ใช่นะนั่น่เห่างแล้วพี่อยากคิดพราเออที่หมดเลยเลยนอ้นั่นนี่บนะออย่งเงไอ้ที่กังวอ่างียอ๋อข่าวระวยากจริงต้องยอมรับ บอกว่ามีความเกาะเกี่ยวมีความกลัวพันมีความห่วงใยฆราวาสเป็นสิ่งที่ยากมากที่ใจจะอยู่กับความพิจาราอย่างเดียวยากเราทํางานอะไรใจเราก็แอบพิจารณาถึงความไม่เที่ยงตลอดไม่ว่ากายเราจะทํางานอะไรใจเราแอบพิจารณาถึงความไม่เที่ยงนอกเปผยผูกพังนอกเปผยผูกพันที่สุดความพัาดพลาดความดับตลหลายพิจารณาแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยง ไม่จะทํางานอะไรเลยเรื่องอื่นเราไม่มองมาคิดมันไม่เอามากังวลใจเลยมีพอกังวลใจเราก็ทำงานเลยทําเลยทเราก็ทำทๆๆแต่ในขณะที่เราทำอยู่ใจเราก็แอบพิจารณาอยู่พอมีความกังวลใจอะไรเราก็รีบรุไปทําำๆๆทำทำไม่เอามาไปกังวลใจแต่เราที่เราทํางานเราดันหลุดใจแล้วแอบพิจารณาอยู่เพราะเราเห็นว่าการพิจารณาเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตไม่เงี่งอื่นที่สําคัญกว่าการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอีกแล้วเราเลยไม่เอาอย่างอื่นมาไว้ในใจเราแต่เอาการพิจารณามาไว้ในใจ ถึงความไม่เที่ยงความแก่ความเสจ็บความตายความน่าเปื่อความผูกพันความสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้านําธาตุลมธาตุไฟร่างขาร่างกายมีสี่ธาตุและจิตก็คือวา่างเปล่าจิ ต, จต ท, ที่วา่างจิตคือธาตุที่ว่างเปล่าทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่าไม่เหลือตัวเหลือตนไม่มีตัวไม่มีตน <l acht> เราเห็นแต่อันเนี้ยมันเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของชีวิตเราไม่เห็นอย่างอื่นมากกว่าสำคัญกว่าวันนี้ด้อย่างอื่นเราก็ทําไป เราก็ทําำจนกําลังหอมมาแต่เราไม่ว่าเร า, เราทําอะไรในใจเราแอบี่ยานตลอดเพราะว่า เ, าเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอส่อนชีวิตเรากองวลใจอะไรเราเก็รูไ้ไปทําเลยรู้ไปแก้ปัญหาเลยแต่ใจเราแอบพิยานอยู่เราต้องให้เห็นแบบนี้ยปฏิบัติอย่างเนี้ยมันถึงจะพ้นทุกข์ได้เร็วนะมันจะพ้นทุกข์ได้เร็วจะมัวไปกองวลกับอย่างนั้นอยู่เลยสิ่งที่เราพูดเนี่ย เราไม่เคยเอาเก็บมาเป็นกังวลอย่างนั้นเลยก็ใช่ดิครเพราะมันมีอยู่เนี่ยทําให้เนี่ยครูบาอาจารย์จับได้ไงเพราะว่าเราแสดงว่าเรามันขาดแต่การที่นาละโมตัดไปกังวลมันต้องติดมันอยู่ในใจทําให้คนอื่จับได้เพราะว่าใจไม่มีตัวตนเนี่ยเราฟังให้ดีนะใจไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลย ธรรมชาติของใจเป็นของไม่มีอะไรที่เอามาค้างได้แขวนได้มันเหมือนความว่างของอากาศเนี่ยเอาอะไรมาแขวนไม่ในอากาศไม่ได้ธรรมชาติของใจเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไปยึดอะไรไว้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเราที่เรามาแขวนไว้มาเอามาแขวนไม่ในเหมือนกับอากาศในห้องเนี่ยเราเอาอะไรมาแขวนไว้ไม่ได้นอากาศเนี่ยเราต้องไปหาที่แขวนเอาเอาลาวมาแขวนที่จะแขวนได้แต่ความว่างเนี่ยไม่มีอะไรมาเอามาแขวนไม่ได้ แต่ในเมื่อใจเป็นความว่างแต่ทําไมอะ่ะคนอื่นก็สามารถรู้ว่าในใจของเราเนี่ยมีเรื่องอยู่ในใจปกติใจมันมีความเป็นความไม่มีอะไรแต่ที่เราพูดเนี่ยตอการเห็นว่าทําไมอะ่ะเราถึงผูกคนอื่นเขารู้ได้ว่าเรามีเรื่องนั้นมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นอยู่ในใจแสดงสว่าใจเราเกาะเกีก่ยวเราไม่รู้ตัวใจเราเนี่ยเกาะเกี่ยวแล้วเราไม่รู้ตัวเราเกาะเกี่ยวเอามาคิดเอามานึกเอามาตึกไว้ในใจ เพราะใจมันไม่มีตัวตนแต่เราเอามาคิดเอามานึกเอามาตึกเอามาจับไว้เอามาจิดไว้จึงถูกเขาจับได้ว่ามันมีสิ่งนี้ในใจถ้ามันมีสิ่งนี้ในใจเวลาเราตายแล้วเนี่ยยมบาลเขาก็มาคว้าจับเอาไปได้เมื่อถ้าเราเห็นได้รู้ได้คนอื่นเขาก็จับได้เอาไปได้ยมทูตยมบาลเขาก็มาจับเอกไปได้เพราะว่าเรายังไม่ถึงเครื่องใจไม่มีอะไรเรายังถูกครูบาอาจารย์ว่าได้ว่าในใจเรามีอะไรมาค้างอยู่แล้วถูกจับได้ เวลาเราตายแล้วใจเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นความว่างเพราะเรามีสิ่งที่ถูกจับได้คนอื่นรู้ได้โยมมาโทษโยมมาบ่ายก็มาจับเราไปได้เวลาเราตายและสิ่งที่มันอยู่ในใจเรานี่แนี่ยมันทําให้เราตกต่าเพราะหลายสิ่งที่มันค้างในใจเนี่ยมันไม่มีจิติจดีมันมีแต่สิ่งที่ทําให้เราเศร้าหมองมันก็คืออบายที่เราจะไปมันจริงน่ากลัวจริงน่ากลัวไอ้ที่เราเห็นเนี่ย เพื่อาจะเตือนบอกให้รู้ว่ามันมีอยู่นะมันมีในใจใจเรา่เนี่ยไม่ได้ว่างเปล่าหล้วธ ร, รมชาติของใจมันว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในใจได้แต่และกุบคูบาอาจารย์จับได้แสดงว่าเรายึดไว้ในใจเราก่อนตายก็ามาออกไปให้หมดสิ้นให้ได้ไม่งั้นเนี่ยโยมมาตู้เจ้บาลเนี่ยพอก็เอาเอาไปเราเนี่ยมีอบ า, ายที่จะไปเป็นที่หวังแน่นอน เพราะอะไรเพราะว่าเนี่สิ่งที่ไปอยู่ในใจเนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้ที่มันเอามาไว้ในใจแล้วทีมันโอ้ยมันจะรอยเบาสบายมันจะลอยไปไอ้ที่ดีๆมันไม่ทำโนไว้หรอกมันเอาไว้แต่ความทุกข์ความเครียดเอาไว้แต่กิเลสตัณ้าเข้าใจไหมธรรมชาติก็เลยไม่มีอะไรเราไปดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรเลยสักท่าน ทุกอย่างในใจของท่านมีอะไรเลยไม่มีตัวใจไม่มีตัวใจไม่มีใจไม่มีตัวใจเหมือนกับเป็นห้องที่ที่มาเอาอะไรขังไว้ในนั้นได้ตัวใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีตัวใจจึงไม่มีอะไรมาขัางไว้ในห้องของใจได้เพราะตัวใจไม่มีมใจของท่านเหมือนกับเป็นเนี่ยเหมือนกับเป็นอากาศเหมือนกับเป็นความว่างของจกักรวาลมันจึงไม่มีอะไรมาขัางไว้ในก็ ไม่อะไรไม่มีอะไรมาแขวนในความว่างได้นั้นของท่านมันไม่มีอะไรเลยพอดับแล้วมันก็เหลือแต่ความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลหายไปในความว่างของธรรมชาติจะมาทูตจะมาบ่ายก็มาหาไม่เจอเอ้หายไปไหนเนี่ยมันทำไปหาไม่เจอไม่รู้ท่านหายไปไหนก็เพราะท่านมีชีวิตอยู่ใจก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวใจใจก็คือไม่มีอะไรไม่มีตัวใจไม่มีอะไรอยู่ในใจมันก็เลยหายไปกัายเป็นความว่าง ของธรรมชาติจักราวาลแต่เราไม่หายไงเรามาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์เรายัางสืกท่านว่าได้เราถูกท่าจับได้เราไม่หายเพราะละมั่นมันมีอยู่ในใจเรามันมีอยู่ในใจเราเวลาตายแล้วอยูม่มรรคผลบารมีเพามันมาจับเอาตรงที่มันมีไยแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพวกแม่ครูบาอาจารย์ถ้าตายแล้วหายเลยสิบุตรเจ้าตรัสว่าเราไม่ได้ตายแต่เราหายตัวไปเราไม่ได้เกิดเราไม่ได้ตายเราไม่มีตัวตน ใจเป็นความไม่มีตัวตนเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีอะไรตายแล้วก็หายตัวไปเลยแต่เรามันมีไงเข้าใจไหมเราเอาเอ า, เอาไม้เราก็อัดอัดเทปอยู่ตัง้ตง ใช่พระพุทธเจ้าและพระหลานกุอโค์เมือม่อดับขันธิญี่ปานไปแล้วกลืนหายไปนในความเป็นอันความบ้างอันเดียวกันงนั้นเวลาปฏิบัติต้องสำรวจใจของตัเองตลอดเวลายังมีอะไรอยู่ในใจที่เราเกาะเกี่ยวกลัวพันพอามาันยึดไว้ไม่ปล่อยไม่วางที่เป็นห่วงเป็นความกังวล ถึงบอกว่าอย่าปล่อยให้ใจหลุดไปอย่าปล่อยให้ใจหลุดแ ไ, ไปคิดวนเวียนไปคิดวนเวียนหาเขาไปคิดวนเวียนถึงเขาให้เอาแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพี่นายแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งนี้สําคัญที่สุดของชีวิตอย่ามัวไปกังวลอยู่อย่าไปมัวกลัวว่าเขาจะน้อยใจกลัวเขาจะเสียใจในจริงนั้นไม่ใช่สาระสําคัญ สาระสำคัญคือเราจะตายแล้วแต่ใจเรายังดับไม่หมดดับความเกาะเกี่ยวพัวพันไม่หมดนี่สาระสาคัญพอเราไปคิดถึงเขามันก็จะกลายเป็นความยึดตัวอยู่หลางไกลแต่ใจยึดนี่บอกว่าอยู่ตัวคนเดียวแต่ใจไม่อยู่คนเดียวเนี่ยตัวเราอยู่คนเดียวแต่ใจไม่อยู่คนเดียวบอกว่าตัวอยู่คนเดียวลูกอยู่ห่างไกลแต่ใจไม่อยู่คนเดียว คุณเจ้าตัดว่าอย่างเงี้เธอมีตันหาเป็นเพื่อนไม่ใช่สันโดษสันโดษนี่แม้แต่อยู่ในถ้ากลางแต่ถ้าใจไม่เกาะเกี่ยวพัวพันนี่เรียกว่าสันโดษแต่พวกเราเนี่ยอยู่กันในเนี้หลายคนแต่ถ้าใจไม่ไม่เกาะเกี่ยวพันธันสิ่งใดเลยไม่เกาะเกี่ยวพัวพันคนใดเลยก็เรียกว่าสันโดษแต่แม้แต่อยู่คนเดียวแต่ใจเกาะเกี่ยวพัวพันลูกอยู่ห่างไกลใจเกาะเกี่ยวพัวพันสามีภรรยาอยู่ห่างไกลใจเกาะเกี่ยวพันธันเรียกว่าไม่สันโดษ เขามีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนตัณหาไงมันโหยหากันตัณหาใจมันโหยหาใจมันหากันมีตัณหาเป็นเพื่อนยี่น่ายดีๆนะมนุษย์ทั้งหลายที่ที่พุทธองค์ถึงบอกว่าตายแล้วไปอาบายกันเกินหมดเนี่ยแทบไม่เหลือเพราะว่าอะไรใจมันเกาะเกี่ยวนี่เนี่ยพอมันเกาะเกี่ยวมันบัวพันเนี่ยมันทำให้จิตใจมันเศร้าหมองมันก็เลยไปอบายกันหมดไอ้ความเกาะเกี่ยวบัวพันธุเนี่ มันเลยไปอบายไั้หมดก็เกี่ยวบัวพันธ์สิ่งใดภายนอกก็ เ, เกี่ยวคนพันธสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนี่ยโดยเฉพาะลูกลูกหลานเนี่มันตัดไม่ขาดก็เกี่ยวบัวพันธ์ลูกมันห่วงผูกคอถูกสามีปราบสาแนขนคอตายเลยสามีภรรยามันพอลูกเกอกถูกหลามีปราบสาใส่กุญแจมือที่หอดีๆบ้าน สมบัติประสาทานบานจ้องเหมือนตำแหน่งหลาบยศต่างๆเหมือนปอกผูกเท้าเหมือนกับถูกสายที่ปราศาตีโซ่ตวนเล็งเล็งเล็งเล็งลาบโซ่ตวนไปห่วงสามห่วงเนี่ยผูกสับประสาททั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดทุกโกกเศร้าเจ๊ใจขับแขนใจน้ําตาไหลหลอดจากตากระเพ่อห่วงสามห่วงนี่นะพี่นายขาดนะพี่นายดูให้ดี แต่แล้วคไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกสมบัติอะไรก็ไม่มีที่จะให้ห่วงห่วงขาร่างกายตัวเองกลัวว่ามันจะแก่กลัวจะเจ็บกลัวจะตายกลัวมันจะมันจะผุพังสลายไปหรือจะกลัวยังไงมันก็ต้องแก่กลัวยังไงก็ต้องเจ็บกลัวยังไงก็ต้องตายกลัวยังไงก็ต้องผุพังสลายกลัวยังไงก็ดับไม่เหลือแม้แต่กลัวยังไงที่สุดก็ดับไม่เหลือ ชีวิตเนี่ยเหมือนกับมันเดินมันน่งเรานั่งอยู่บนพื้นเนี่ยเรานึกกับพื่นมันไม่ไม่ไหลเลยเนี่ยโลกนี่ไม่เคยหยุดหมุนนะโลกนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดหมุนมันหมุนไปไหนอ่ะเรานั่งอยู่บนผิวโลกเรานึกว่าเรานั่งอยู่ได้เฉยนั่งอยู่กับที่ที่จริงอ่ะเราถูกมันพาเราไปสู่ความตายไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วินาทีเดียว มันเปรียบเหมือนเนี่ยเวลาคนไปสนามบินเนี่ยคนแก่แล้วเขาก็เอากระเป๋าเอากระเป๋าวางบนสายพานแล้วก็ปล่อยสายพานมันไหลไปขึ้นเครืงบินคนที่มีกำลังมากๆคนหนุ่มคนสาวเขาก็ลากระเป๋าแล้วเขาก็เดินเอาเดินเอาเดินไปขึ้นเครื่องบินคนแก่แล้วเขาก็ยืนบนสายพานแล้วก็เอากระเป๋าวางไว้ใสายพานก็ไหลพาไปขึ้นเครื่องบินแต่ตัวเรายืนอยู่ที่เฉยนะแต่สายพานอ่ะมันไม่หยุด เรายืนอยู่บนสายพานแล้วก็พาเราไหลาไปหาเครื่องบินเรานึกว่ามันก็เหมือนกันเนี่ยเราอยู่บนโลกผิวโลกเนี่ยเรานึกว่าเลยอยู่เฉยๆแต่จริงอะ่ะตัวเราอยู่เราตัวเราจะนั่งนิน่งแต่ผิวโลกมันไม่นิ่งผิวโลกมันหมุนอยูอ่ตลอดเวลาพาเราไปดู่ความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเลยต่อให้เรากลัวแทบตายเป็นห่วงใหญยยังไงว่าสังคาล่างกายเราจะจะแก่จะเจ็บจะตายจะผุพังสลายที่สุดอ่ะความจริงเหมือนก็คือใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆ มีคนนึ่งส่งยูทูบมาให้เราในกลุ่มเราไปเปิดดูก็มีประโยชน์ประโยชน์ดีมีอีกคนหนึ่งอยู่อยู่เขามีความรู้พิเศษคือรู้ว่าใครจะตายวันไหนเหลือกี่วันจะถึงแก่ความตายเขาก็ไปอูไปดูเขาก็เห็นหมดเลยเห็นใครก็รู้หมดเลยว่านี่นี่เหลือกี่วันจะตายนี่เหลือกี่วันจะตายเหลือกี่วันจะตายโอ้โหเขาก็เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งโอ้เด็กหนุ่มคนนี้เดินมานับเวลาถอยหลัง สิบวินาทีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสามสองหนึ่งศูนย์ข้ามถนนรถสนตุ้มกระเด็เลยตายเขาเลยตกใจมากเลยอุย้ยไอจิก็รู้ความจริงนี่มันคือความจริงไงเขาเลยเป็นห่วงอันดับแรกคือห่วงพ่อกับแม่เขาเลยรีบไปหาพ่อแม่เขาไตเหนพ่อแม่เขาโอ้พ่อแม่เขายัง อ, อ, อยู่อีกหลายวันก็จะตายก อ, อยู่อีกหลายวันคือนับแล้วเป็นปี 2ปีสาปีเก้าตัวจะตายเขาก็ไปดูคนหนึ่งทั่วเลยแต่เขาลืมไปอยู่อย่างเดียวสิ่งสนคัญที่สุดก่อนเขาไปล้างหน้าเ้าของน้าไปล้างหน้าแล้วก็บองกระจกนพอเห็นพาเห็นตัวเขาในกระจกเนี่ยเขาเหลืออีกสิบห้าวินาทีเขาจะถึงแก่ความตายเขาลืมดูตัวเขาเอง ทุกคนมีเวลาแล้วแบบนั้นมีเวลาแล้วทุกคนติดติดไว้ทุกคนแต่คนนี้เขาดูแต่คนอื่นเขาพลาดไปสุดเขาไม่ได้ดูตัวเองพอเข้าเนยหน้าดูในกระจกเดินเข้าห้องน้ำล้างหน้าเหลือเวลา15นาทีอย่กปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะแล่ที่สุด มาลุยตีหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมีชีวิตยอยู่ได้มีเกินห้าวันสิบวันคุณจะทําอะไรก็ทํา้ะอาทีเราโมจะเพลินเป็นห่วงนั่นคิดนั่นกลัวคนนั้นจะเป็นอย่างนี้กลัวคนนี้นจะเป็นอย่างนั้นกลัวคนนั้นจะน้อยใจกลัวคนนี้นจะเป็นอย่างอไรนี่เวลาคิดอไปแล้วถึงตัวแล้วคุณไม่เวลาไห้าวันคุณจะทําอะไรก็ทํา้ะนันไม่ มันไม่คิดแล้วอย่มไม่มโนคิดเรื่องไร้สาระอย่างนี้อีกแล้วกลัวคนนั้นจะน้อยใจกลัวคนนี้จะคิดอย่างนู้กลัวคนนี้ก็จะคิดอย่างนี้มันไม like ่ไปคิดเรื่องไร้สาระอย่างนี้ได้ถ้าที่ตอนนั้นมันคิดว่ากูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วหรือเนี่ยกูจะตายแล้วเหรอเนี่ยเราเห็นคนคนนึงเป็นบ้าไปเลยเป็นพวกผู้กิจเป็นบ้าไปเลยหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสิบวันเป็นบ้าไปเลยก็ปีแตกเป็นบ้า ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะเพือนผู้ปฏิบัติธรรมอีกลายใ น, นเป็นผู้หญิงหมอบอกเหมือนกันอย่างเงี้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินสิบปันสติแตกเมือนถูกเข้าไปที่ถูกไฟไหมผมปูเป็นกระเซินเลยร้องผมร้องให้มาหาเราสติแตกปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยอาจาร ย, ย, ย์ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย ร้องโหมร้องไห้ภูมิไฟน่าจะกอนแช้งก่อนสาเลยเอาจาร ย, ย์ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนูจะตายแล้วรู้จะตายแล้วหมอบอกว่าหนูเป็นมะเร็งแล้วทุกข้านอยู่นั่ไม่เกินปิดฝันร้องโหมร้องไห้ภูมิไฟคนเนี้ยชอบนั่งสมาธินั่งสมาธิวันละ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนั่งสมาธินี้ วันถ้าทุกวันเลยว่าเล่าออเที่ยงโมงนั่งนิ่งเงียบมากเลยแต่ไม่ได้อะไรเลยพอหมอบอกเป็นอะไรมะเร็งมะเร็งระยะสุดท้ายสติแตกปูนควายวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเขาจะตายแล้วเราเลยไปเยี่ยมอยากไปเยี่ยมอยากไปเยี่ยมพขที่โรงพยาบาลเราไปหาเขาบอกว่าอาจารย์เป็นเจดีย่นิทราไปแล้วพอไม่รู้หรอกอาจารย์มาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง เราเข้าไปยืนดูโอ้ยมันนิทาแต่ภายนอกตามันหลับอยู่แต่ใจข้างในมันไม่หลับไว้ใจข้างในมันเป็นทุกข์นะเนี่ยปล่อยวางนะปล่อยวางปล่อยวางเจ้าหญิงนิทาเลยน้ําตาไหลาลากลากลากลาบพวกเฝ้าไข่ร้องไห้กันใหญ่เลยจ้าพี่น้องเอา้าหมายว่าเป็นเจ้าหญิงนิทาทำไมมันร้องไห้ได้แล้วเนี่ยรีบมาเช็ดน้ำตาให้กันใหญ่เลย เราบอกว่ามันนิทาแต่ข้างนอกข้างในมันนิทาด้วยก็ดีมันได้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือดับความทิกมั่นถึงมั่นดับสนิทไม่มีส่วนเหลืองก็ดีอ่จะอย่างเงี้ยมันจะได้พ้นทุกข์หมดทุกข์ไปนี่มันทุกข์อยู่นะเนี่ยนอนนอนทับทุกข์อยู่เนี่ยนั่งสมาธิเวลาสี่ห้าชั่วโมงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนอนเป็นอยู่นิทาจมอยู่กับความทุกข์ทับทุกข์อยู่เนี่ยหลับทับทุกข์อยู่นี่หลับแต่ภายนอกข้างในไม่หลับ พอเราไปพูดหน่อยนี่อาจารย์มานั่นเนี่ยอาจารย์มาลงากลับมาปล่อยวางแล้วเนี่ยที่หยุดแลยเนี่ยร้องไห้เป็นล็อกเรนเรนเจ้าหญิงมิกานอนนอนหลับตาอยู่แต่น้ําตาไหลร า, ากราบราบมันนอนทับทุกข์อยู่นะนีแล้วเป็นยังไงตายแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีกไม่ใช่เป็นทุกข์เฉพาะตอนมีชีวิตยอยู่นะ ตายแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ในงานศพตัวเองนะพวกเนี้ยพวกที่มีความทุกข์นึกว่าตายแล้วจะพ้นทุกข์แลไปในงานศพไปนั่งร้องไห้ในงานศพเองต่อเราอยากเป็นอย่างนั้นเนอะพินานขาดย่อแต่ความนิ่งความเบาความสบายสังเกตใจให้ดีว่ามันเก่อเกี่ยวบวัวพันสิ่งใดไหมล่ะเดี๋ยวจะเป็นเจ้าหญิงมิคา นอนร้องไห้อยู่เดี๋ยวไป็สติแตกเป็นบ้าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทําใจเลยไม่ได้สักอย่างเดียวอปฏิบัติเอาแต่เบาสบายวางวางนี่มันเฉยเฉยไม่ได้พิจารณาดูใจตัวเองประกอเขียวพัวแันห่วงใจอะไรไหมไม่พิจารณาอยู่จนกระั้งเห็นว่าอะไรทุกอย่างไม่อาจจะยึดปั่นถือมั่นได้แต่ขามาไปไม่ได้สักอย่างเดียวให้ปล่อยวางให้หมดยึดยึดอะไรไว้วางให้หมดใจมันจะได้วางฝ่าเบาสบาย ในใจไม่มีอะไรเลยเลือแต่ความว่างหมดแล้วเดี๋ยวไปจับความว่างไว้นะคือมันว่างจากสิ่งใดที่มาเกาะเกี่ยวพัวพันไว้ในใจว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนตัวเราที่ไปเอาตัวเราไปเกาะเกี่ยวสิ่งใดไว้มันว่างเปล่าไปหมดเลยว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากสิ่งที่ามาเกาะเกี่ยวไว้ในใจมันก็จะเป็นเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราแต่ละท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านมันเหมือนอ ย, นย่างเงี้ยร่างกายท่านเหมือนกันกบไป็เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ในส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของท่านอะเหมือนจะไปไอ้ข้อมูลในในเครื่องโปรเจคเตอร์ที่มันฉายไปที่ที่จอภาพอะเช่นฉายเป็นหนังฉายเป็นสารคดีฉายเป็นบทความอะไรอ่ะแล้วในไอข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในที่มันฉายผ่านในเครื่องโปรเจคเตอร์ไปเนี่ยมันก็เป็นคือนามขันคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันจําได้หมายรู้ที่มันประมวลผลอยู่ในเครื่องโปรเจคเตอร์ที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ก็มาเสียบไปในไอเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายเข้าไปในจอภาพ เราดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยท่านฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่คนทั้งหลายเนี่ยฉายโปรเจคเตอร์เข้าไปในจอภาพโดยนั้นคนที่งหลายเนี่ยในใจของคนทั้งหลายเนี่ยถึงถูกอ่านได้หมดเลยว่ามันมีอะไรฉายอยู่ในใจที่มีความเกี่ยเกี่ยวหัวพัน์ที่ไม่หายไปแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นวันเว คิดอะไรแล้วมันก็หายไปมีอารมณ์มีความรู้สึกอะไรแล้วมันก็หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยเป็นวันเบย์คือมันไม่มีไม่มีไปการไปค้างขาวไว้ที่จอภาพไม่มีการไปค้างไว้ที่ใจของเราแต่ละคนมันค้างไว้ที่ใจแต่ของท่านนี่ยมันฉายไปสู่ท้องฟ้ามันเหมือนกับว่ามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรแล้วมันเป็นวันเวรย์ฉายออกไปแล้วมีมีอาการอะไรมีกิริยาการใดมันหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยเป็นแบบวันเวย์คือท่านคิดอะไรก็แล้วไป พูดอะไรแล้วก็แล้วไปสอนอะไรแล้วก็แล้วไปมีอารมณ์มีความไม่คุ้อะไรแล้วก็แล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไปไม่ไม่ย้อนกลับออกมาค้างไว้ที่ใจแต่เราเนี่ยมันฉายไปไม่เป็นวันเวย์ะมันกลับออกมาย้อนค้างไว้ที่ใจเทปเรามันเลยไม่สลายตัวไม่ไม่ไม่ถูกทำลายแต่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีเทปเก็บสํารองข้อมูลไว้ท่านฉายแล้วฉายเลยฉายแล้วฉายเลยทิ้งเลยของเรามีเทปคือใจเก็บข้อมูลเอาไว้ ไม่สลายซะด้วยสิตรงเนี้ยไอ้เทปที่เก็บข้อมูลนี้ไว้มันเก็บเอาไว้หมดทั้งความละความชางัคมงค ว, ยย ค, วความวุ่นความใหญ่ความกังวลความวิตกกังวล ม, มันเก็บไว้หมดมาเลเทปเนี่ยไม่สลายไม่เหมือนในหนังเจกมบอล น, นะหนังเจกมบอล น, นี่เวลาเขาจะให้เกมบอลเนี่ยไปทํางานอะไรเนี่ยเขาจะมีเทปมาให้เจกมบอลแล้วก็เจกมบอลเนี่ย ฟังเทปเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเทปเนี้ยมันจะลายฮะไม่ทําลายตัวมันเองภายในสงวินาทีพอฟังจบปุ๊บเทปก็หม้เลยแต่เทปคนทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ใช่พระอริยสงฆ์พระหานเนี้ยมันไม่ไหม้เทปที่อยู่ในใจมันไม่ไหม้มันเก็บไว้หมดทั้งความรักความห่วงใยความกังวลความแก้นเกืองความค้างขาความวิตกความงงใจความ กัวเขาจะเศร้าหมองกลัวเขาจะไม่สบายใจมันเก็บได้หมดนะแล้วมันมันอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ถูกท่านจับได้ถ้าถูกจับได้ก็แสดงว่าเราตายแล้วโ ย, ยบานทูโยบานก็จับได้หลวงปู่มั่นพุริลตโตจึงบอกว่าแก้ให้ตกเด้อแก้บอตกขาพกเจะไว้แก้บอดได้แขวนคอทับที่แต่งอแก้บอดแก้ให้ตกเด้อ แก่บอตกขาพกเจะไว้แก่บอดได้แวขวนคอซอกที่แต่งกภาษาอินสันพูดถงภาษาอินสันเธอจักรู้ไหมเอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเป็นภาษาอินสันมียายแก่ๆคนหนึ่งเนีภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวเฮ้ยภาวนายูดีแหละมันปรากฏว่าเห็นจิตของตัวเองมันสว่างว่าก็าไปในท้องของหลาน หลานที่ตัวเองอ่ะเอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็มีครอบครัวอยู่ด้วยกันก็รักมันห่วงมันมากภาวนาพุทโธพุทโธดีๆเห็นจิตตัวเองอ่ะมันแอบเข้าไปในท้องหลานเฉยหลานท้องแล้วปรากฏว่ารู้ว่ายายคนนี้รู้ว่าตัวเองแค่จะต้องไปเกิดในท้องของหลานเนี่ยเด็กวิญญาณที่จะเข้าไปในท้องของหลานนั่นคือตัวเองโอ้โหไปเล่าให้หงปู่ม่านฟังหลวงปู่ม่านว่าเอาเลยเนี่ย จะไปเกิดอียังไงไปเกิดอีกอะให้มันปีให้มันดูดาว่ากาแล้วดูดาว่ากาวันน่ะแล้วคิดดูสิพ่อแม่เนี่ยบุญญาตายายเนี่ยมีกรรมจริงๆเลยลูกหลานคนไหนเขาได้ดีมีสุขเขามีความสบายแล้วเนี่ยไม่ห่วงเขาหรอกเพราะว่าเขาสบายแล้วมันจะไปห่วงได้ลูกหลานที่มันช่วยตัวมันเองไม่ได้ที่มันแย่ๆที่มันยากจนที่มันเอาตัวไม่รอดจะไปห่วงมันก็เกี่ยวโผพันมันว่าห่วงให้คนที่ แย่ๆเนีเราไปเกิดเราไปเกิดกับไอ้ลูกหลานที่มันแย่เราคิดดูได้เกิดมาแล้วจะเป็นยังไงไอ้ลูกหลานก็แย่อยู่แล้วพอเราไปเกิดเป็นลูกของมันนะก็จะเป็นยังไงหลวงปู่มาเลยบอกว่าภาวน า, าตัดได้ขาดนะตัดได้ขาดก็ไปเกิดเป็นลูกมันเลยเนี่ยแกก็เลยมาภาวนาแล้วก็ตัดขาดได้เลยแทงเลยเพราะไม่มีวิญญาณไปเข้าไอ้นั้นที่มันท้องอยู่ได้เพราะมันมีวิญญาณ ไ, ไ, ไปจับจองพอจับจองแล้วมันจับจองได้แค่หนึ่งนะ มันคนอื่นเขามาแทนไม่ได้พอคนนั้นไม่เข้าก็แทงไปเลยมันมีอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยนี่หัวเมียคู่หนึงเนี่ยไปขับรถผ่านไปผ่านเจรียน์นึงก็ลงไปถึงไปขอลูกมาไม่มีลูกไปขอลูกมาไอ้ผีมันตามเข้ามามาเข้าท้องไอ้วิญญาณจะมาเข้าท้องวิญญาณมันคื ผ, ผีที่มันเละล่อนอยู่แถวนั้นตามมาเข้าท้องเลยไอ ภาวนาอย่าเลยให้ภาวนาทั้งสองคนพรมียให้ใหสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกวั น, วนให้เป็นในภาวนาพุทธนาพุทโธพุทพุทธพพุทธไม่ให้เป็นพอภาวนาได้พวกผีมันบุญบา ร, รมีไม่พอที่จะมาสร้างสร้างชาในท้องเขาได้มันก็เลยแทงไปเกือบ เ, อเกือบออกผีออกมาเป็นลูกแล้วไปไปขอมาได้เจดียไอวิญญาณผีที่มันเละล่อมในนั้นมันก็เลยมาเข้าท้องเลย แต่เนี้ยมีอยู่สองมีอยู่สองลายอีกลายก็เป็นแบบเ น, นี้ยโอ้จะมันเกิดมามันเหยียบหัวตายเลยมันเกิดมาเจ้ากรรมในเดือนด้วยมันมาเกิดเป็นลูก้ามันเกิดมามันเหยียบหัวตายผอภาวนา ด, ดีปฏิบัติดีจิตมันเสียนเลื่อนพัฒน์พุ่ขึ้นมากรรมเวรมันไม่ทันกันไม่เสมอกันก็เลยแทงไปแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าลูกมีบุญบา ร, รมีคนมีบุญบา ร, รมีมากมากอยากมาเกิด อยากมาเกิดมามาช่วยเรามามาใช่ดีเราแต่บุญบา ร, รมีของเราไม่พอเขาเราไม่ได้ภาวนาไปไม่ได้รับบาปบาเพ็ญบุญกุศลภาวนาภาวนาไว้บุญกุศลเราไม่พอเขามันไม่เสมอกันเขาก็แทงไปเหมือนกันแต่ถ้ามันเสมอกันก็จะได้แต่อย่างไรก็อย่าเกาะเกี่ยวผัวพันกันนะมันก็จะต้องไปเกิดเป็นลูกของเขาไปเป็นลูกของหลานที่แต่ความทุกข์ยากลาบาก แล้วเกิดไปเป็นลูกของเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีท้องเขาไม่พร้อมที่จะมีท้องบุญมาเรามีก็เราสร้างมาก็ไม่พอจะเกิดเป็นคนก็ไปเกิดเป็นหมาเป็นหมาเป็นแมวเป็นจิ้งโจกเป็นงูเจ้าที่เจ้าทเ า, ทาเป้าที่เป้าสมบัติเป็นสับอยู่ในบ้านเขาได้และไม่ไปไหนหรอกมันน่าอเนจอนาจใจจริงๆพพุทธเจ้าจึงตัดว่าห้ามพระผันเนื้อหมาบ้านเด็ดขาด พ่ออะไรก็เพ่าหมาบ้านเนี่ยมันก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายย่าพี่น้องที่มันห่วงใยลูกหลานเนี่มันมาเกิดเป็นหมาบ้านอเรื่องโตไทพามเนี่ยสมัยพุทธเจ้ามะพุทธเจ้าไปบิดาบ้าหน้าบ้านหมามันก็เห่าไอ้พ่อพ่อไอ้บ้านเนี่ยลูกชายบ้านเนี่ยมันตายไปเกิดเป็นหมาในบ้านพุทธเจ้าไปบิดาบ้าท่ามันก็เห่าเลยพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามันเห่าไว้แหละมันทับทายผมรู้จักพุทธเจ้าเจ้าเว้ย เปงไงมันเกิดเป็นหมาเป็นคนดีๆมาเกิดเป็นหมาในบ้านลูกชายเหรอให้ลูกชายทำไมคุณเจ้ามาว่าพ่อเป็นหมาพ่อเขาเกิดเป็นหมาเนี่ยพ่อไม่ไม่เชื่อเจ้าลองเอาหมาเนี่ยไป น, นอนที่นอนของพ่อเจ้านนะแล้วพูดกับมันดีๆอาบน้ําให้ดีๆแล้วพูดดีๆกับพ่อของเจ้าทําความดีกับพ่อของเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าหมาเนี่ยคือพ่อเจ้าจริงหรือเปล่าเขาให้ก็ทําเหมือนทา ทำความดีกับหมานั้นเหมือนพ่อทุกอย่างสุดท้ายหมานั้นเลยร้องไห้เพราะว่าลูกบอกจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วต่อไปจะกลับตัวเป็นคนดีหมานก็เลยร้องไห้ไปคุยคุยคุยคุยคุยดินเจอลูกกระเจยดก้นขุนมาว่าหมานไปคุยอะไรไปคุยคุยคุยเจอกล่องเจอหีบสมบัติเต็มเลยของพ่อเป็นฝังเอาไปพอลูกเกี่ยวสมบัติพ๊บ ลูกก็แบ่งเอาสมบัติไปทำบุญให้ทานถวายพระเจ้าที่ตุกุศ์ให้แก่พ่อแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไว้ลงทุนส่วนหนึ่งก็เก็บไว้รักษาตัวเองพ่อเห็นลูกกลับเป็นคนดีแล้วก็ตายบวดห่วเราจะไปเป็นอย่างขั้นนะห่วงใ่จะเป็นหมานี่จะเป็นหมาในบ้านลูกพ่อเกี่ยวพัวพันเข้าใจไหมล่ะมีใครผู้ให่อะไรไหม อ่าน้องใส่เลยเอ้าเอาเนี่ยไม้นี่เอ้าเอาฟ้าก็เต็มที่มาแล้ว เราสังเกตให้ดีๆสลเวลาเราทางานตามปกติเนี่ยในชีวิตประจาวันเวลาเรามาทางานเนี่ยเราสังเกตได้ดีนะเราทางานเนี่ยทำงานรับราชการเนี่ยทางานชีวิตตามปกติเนี่ยแต่ใจเราเนี่ย อย่าไปคิดอย่างอื่นได้เลยตระเกตรียให้ดีเลยเราทํางานเนี่ยแต่แต่ใจเราเนี่ยไปคิดอย่างอื่นได้เราทํางานอย่างแต่ใจเราไปคิดอีกอย่างได้เราก็ะเตรียให้ดีนี่ใช่ไหมเราทํางานอยู่เนี่ยตัวทํางานอยู่ใจคิดถึงแฟนจะนัดไปกินข้าวนัดไปนู่นนัดไปนี่คิดถึงแฟนคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงนู่นคิดถึงนี่กายทําให้เนี่ยแต่ใจไปคิดถึงนู่น แต่คิดอีกอย่างหนึ่งทำไมยังคิดได้เพราะที่เราก็ทํางานว่าตามปกติทุกวันเราก็เป็นอย่างนี้เราก็ทํางานของเราเนี่ยตามปกติไม่เคยผิดพลาดเลยแต่ใจเราไปคิดอย่างอื่นเราสังเกตให้ดีกินข้าวตัวกินข้าวแต่ใจก็ไปคิดอย่างอื่นตัวหน้าห้องท่วมอยู่ใจก็ไปคิดอย่างอื่นตัวอาบน้ําอยู่ใจก็ไปคิดอย่างอื่นตัวแปรงฟันอยู่ใจก็ไปคิดอย่างอื่นตัวเข้านอนอยู่แต่ใจก็ไปคิดอย่างอื่น เออมันเป็นปกติของทุกคนแหละแต่มันเป็นปกติแบบมันจะต้องไปสู่ความเีย็นวายตายเกิดความทุกข์โกรธเ้าเสียใจความเจับแสนใจไหลไปตามกิเลสเราพิตามมันคิดปงแต่งไปตามความเคยตัวเคยใจมันมีแต่จะไหลตกต่ำไปเรื่อยมันไม่มีมันไม่มีทางที่จะขึ้นสูงได้หรอกเพราะว่ากิเลสเนี่ยเสียบเหมือนมันไหลมันมันเข็นมันปล่อยหินกลมๆไอ้ลูกกลมๆหินกลมๆเนี่ยไหลลงจากเขาไอ้การที่เราจะฝืนใจแม่มันไหล มันไหลไปการกิเลสที่เราอยากอยากจะคิดเปิดตัวจเจริญใจไปเนี่ยปรุงแต่งไปเนี่ยไอการที่เราผืนฝืนไว้เนี่ยให้มันมันคิดปรงแต่งเพื่อตัอเจริญใจไปตามความเคยตัวเคยใจเนี่ยการฝืนเช่นนี้เปลียบไหมเรากิ้งหินกลมๆเนี่ยขึ้นเขาปล่อยไม่ได้เลยปล่อยพวก อ, อหินกลมๆก็ไหลลงมาตีนเขาอเราจิ้งไปสูงเท่าไหร่ก็ปล่อยไม่ได้มันก็จะกิ้งมางทันตีตกจีงเขาทันทีแต่การที่เราปล่อยกายปล่อยใจให้มันเปิดตัวเจริญใจไปเนี่ย ตามความเคยตัวตามความเคยใจไปตามกิเลสตัณหาเนี่ยมันง่ายเหมือนกับกิ้งหินลงจากเขาอะปล่อยหินพวกมัต้องไปกิ้งเพราะพอปล่อยพวกไหลลงไปเลยเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยมันเปไปอบายกันหมดเพราะว่ามันมันปล่อยให้เป็นไปตามความเคยตัวเคยใจมันง่ายกว่าไอ้ฝืนเนี่ยฝืนไม่ให้มันไหลไปตามกิเลสตัณหาตามความรักความห่วงใยความกังวลความรักไข้ผูกพันไมให้ใจแกล้งไปหาเขาก็เกียวกับผูพันเขาเนี่ยมันยากกว่า มันต้องเช็คความเพียรอย่างหนักเพราะว่ามันเหมือนกิ้งหินกลมๆขึ้นสู่ภูเขาเนี่ยมันปล่อยไม่ได้เลยทุกขณะปัจจุบันมันปล่อยสติไม่ได้เลยมันปล่อยความเพียรไม่ได้ปล่อยสติและความเพียรไม่ได้เลยปล่อยปุ๊บมันไหลลงไปเลยไปหากิเลสเดิมเก่าไปหาคนที่เราลักใขว่ห่วงใยญ่ผูกพันเราจึงปล่อยใจเราเนี่ยไม่ได้เลยปล่อยให้มันเป็นการยะถาต่ำไม่ได้จึงต้องเพียรรักษาใจเรานี่เพียรในสายใจเราก็มีอยสองขั้นตอนคือขั้นตอนแรก ไม่ว่าตายเราจะทําอะไรใจเราก็แอบบริกรรมเอาไว้ใช่ไหมเพราะมันเป็นปกติของคนเราแล้วปกติไม่ว่ากายจะทําอะไรมันก็คิดอย่างอื่นกายจะทําอะไรใจก็คิดอีกอย่างกายจะทําอะไรก็คิดอีกอย่างไม่เชื่อเราสังเกตให้ดีนะนับแต่นี้ไปไปลองสังเกตเอากลับไปเนี่ยไปทํางานเนี่ยลองดูดิกาย ท, ำทํำคานวณอยู่กายทํางานอยู่กายทำนู่นทํานี่อยู่กายกินข้าวกายอาบน้ํากายแปรงฟันกายเข้านอ น, อน แต่ใจไปคิดอย่างอื่นใจที่มันไปคิดอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ตรงกับที่กายเราทําอะไรมาเกตให้ดีนะนี่คือคนปกติทั่วไปใจมันจะต้องไหลไปตามจิเลสแบบนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยจะฝึกให้ใจกับตัวมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยากมันยากมันต้องฝืนมันต้องฝืนนั้นวิธีที่จะฝืนแรกคือเขาเรียกว่าในขั้นของสมถะก็คือว่า ไม่ว่ากายจะทําอะไรใจก็แอบบริกรรมไว้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปทั้งวันแหละไม่ว่ากายจะทําอะไรก็แอบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้พุทโธไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยววันพอรู้พุทโธพุ๊บมันก็ผูกขาไปไปตามความเคยตัวเคยใจและวกายทําอะไรจะใจไม่อยู่แล้วไปคิดเป็นลูกคิดถึงหลานคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงอดีตคิดถึงกังวลกับอนาคตคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไปคิดถึงแฟนที่นัดกันไ้ะองินนขขาาาคดถึ็หหเเเ แต่กายก็ทํางานอยู่แต่ใจไม่อยู่กับตัวแล้วเราก็เลยต้องมาบริกรรมเอาไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อไม่ให้มันแล่นไปไปตามความเคยตัวเคยใจนี่เขาเรียกว่าขั้นของสมถะตอนนี้ในขั้นของวิปััชนาอย่างไรในการปรัชนาก็คือว่าไม่ว่ากายจะทําอะไรใจก็แอบน้อมพินาศถึงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายกับจิตใจว่าไว้ของไม่เที่ยงมันต้องไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความปุกความความสลายไปเป็นตัดดินตัดน้ํา ธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุูที่ว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราก็เข้าไปสู่พยยิจารณาสู่ความจริงของร่างกายจิตใจที่ประกอบไม่ได้ธาตุร่างกายมีสี่ธาตุธาตุธาตุที่เป็นของแข็งคือผมขนเล็ดขนหนังเลือเดกระดูกกล้ามที่ใส่น้อใหญ่มากซับปอดัวใจเป็นของแข็งเรียกว่าธาตุดินและวก็ธาตุน้ํากับน้ำเลือดน้ําเหลือน้ํำลายน้ําปัสสาวะน้ําฐานไนคนน้ําเงือก็เป็นธาตุน้ํนนา แล้วก็ธาตุลมคมอลมหายใจแล้วก็ธาตุไฟคือความอบอุ่นความร้อนในร่างกายเพื่อจิตมีม่หนึ่งธาตุก็คือธาตุรู้ที่ว่างเปล่าคือความว่างทั้งหมดร่างกายจิตใจก็มีห้าธาตุแต่ตัวตนไม่มีมีแต่ห้าธาตุมาประกอบรวมกันแล้วก็เลยมีขันห้าคือมีรูปขันมีนามขันมีความรู้สึกมีจิตอารมณ์เรียกว่ามีชีวิตขึ้นมาไอชีวิตที่ขึ้นประกอบขึ้นมาคือประกอบไปได้วห้าธาตุร่างกายสี่ธาตุ จิตใจมีหนึ่งธาตคือภาตรู้ที่ว่างเปล่าหรือวิญญาณภาธเป็นภาตุรู้ที่ว่างเปล่าเราประกอบกับเป็นห้าธาตุบวกกับเอาวิชาคือความโ้่ที่ยังหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวปิณฑลมีตัวเราเป็นตัวตนของเราไปยึดเอาขันห้าหลังรูปขันนามขันว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันก็เลยมาประกอบรวมกันได้ห้าธาตุประกอบรวมกันเป็นร่างกายไปเป็นรูปร่างต่างๆไปเป็นส่วนจะได้ฌานเตะออกุากกายสัพนโลกไปเป็น สัตว์แต่ละชาติในโลกนี้ทุกชนิดเราเนาะนะแต่นานเราเป็นคนสักทีแต่เป็นเทวดาวนไปวนมาอย่างนี้เนี่ยความที่เป็นห้าธาตุประยุทธ์เอาธาตุที่มันประกอบกันเนี่ยก็เป็นร่างกายเปนน็นตัวตนของเราในแต่ละชาติความหลงอันเนี้ยมันยังมีอยู่ไม่สิ้นหลงเพราะที่หลงเมื่อไหร่ธาตุมันก็มารวมกันไม่ได้ก็จะลายไปการรวมของธาตุมันเลยเกิดไม้เกิดมีชีวิตขึ้นมาคือมีสี่ธาตุไอชาตสังขารนี่มันรวมแต่ไม่มีชีิตใจคือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุวิญญาณแปลว่ารูว้วิญญาณธาตุหรือ แต่คุณสมบัติก็มันคือความว่างเปล่าไม่มีตัวตนพอมารวมกับเป็นห้าธาตบวกบวกกับอวิชามันก็เลยมีความหลงในแต่ละล่างว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่แท้ดังนั้นพอร่างในคำวิปัสสนาแล้วพอร่างกายเราทํา ง, งานอะไรก็ตามทาํากิจกรรมอะไรก็ตามใจก็แอบพิจาถึงความเป็นจริงอย่างนี้ยความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายจิตใจของรูปประคันามประคัไม่มีตัวมีตนอยู่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เป็นของจริง เป็เพียงมายาที่ถือก็ตับสลายหายไปหมดหาตัวตนไม่มีที่นายถึงความจริงอย่างเนี้ยตลอเดเวลาต่อเ น, นื่องไม่ขาดสายเราจะปฏิบัติในขั้นสมมถะแล้วก็บริกัรตเอาไว้ในขั้นวิปัสสนาก็พี่นายเห็นแต่ความจริงจไม่ว่ากายจะทําอะไรก็ใจก็พี่นายเห็นแต่ความจริงจริงทีนี้สิ่งที่เราเคยเป็นมามันก็จะมันก็จะหายไปจากใจเราคือกายทําอะไรใจก็คิดถึงแฟน กายจะทำอะไรใจเกิดคิดถึงลูกคิดถึงหลานกายทําอะไรใจเกิดคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงเรื่องเก่าเกคิดถึงอนาคตกังวลกับอนาคตกายทําอะไรใจก็มาอยู่กับตัวกายทําอะไรใจก็อยู่แต่ตัวมันเป็นไปตามกิเลสเก่าๆตั้นานเก่าๆแบบนึงก็หมดไปมันจะหมดสิ้นไปเหลือแต่ว่าผลไปในขั้นของสมถากาบวิปัสสนาคือกายทําอะไรใจก็บริกรรมบริกรรมไปบริกรรมอะไรบริกรรมไปมันจะไม่ยังไม่ได้ใช้ปัญญาในการพิจารณาอะไรมันก็เป็นขั้นสมถะใจมันก็เลยหมดโอกาสที่จะ ไปคิดปรุงซาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรียกว่าขั้นสมถาไปแต่พอถึงขั้นสมถาแล้วกายมันไม่มันม ko ันไม่ฟรุงซ่าเลยแล้วกายทําอะไรใจก็พิจารณากายทําอะไรใจก็พิจารณาเป็ความเป็นจริงของสังขารไม่เที่ยงตัวเราก็ไม่เที่ยงตัวคนอื่นไม่เที่ยงทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงลึกลามบ้านช่องก็ไม่เที่ยงรดราทำได้เหล็กเลยก็ไม่เที่ยงปูพังเก่าสลายไปหมดทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรเที่ยงมีแต่ของแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงความเป็นตัวเป็นตนไม่มี ดิแต่ความไม่เที่ยงที่นายเห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เลยไม่หมดโอกาสที่จะไปคิดพุ่งกล้าไปความกิเลสตัณหาตามความเคยตัวเคยใจเหลือแต่ความจริงความจริงความจริงเข้าไปใจก็เลยไปลวางความหลงคิดบ้านถึงบ้านก็บรรลุไปเรียกว่าบรรลุความจริงบรรลุความจริงนะเราถึงความจริงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติในขั้นไหนอ่ะขั้นสามัคคีหรือขั้นมิตรณาเข้าใจไหมล่ะอ่ะวันนี้เอาซักเลย เออไอการที่เรานึกในขั้นของวิปัสสนาเนี่ยมันทั้งมันทั้งนึกภาพมันต้องมีเกิดมโนภาพทั้งมีความรู้สึกเห็นจริงตามไปเลยมันมีความตระหลดมีความสังเวชมีความปล่อยวางมันตร่งปล่อยวางไปพร้อมกันหมดในความรู้สึกอันเดียวกันนี่มันเกิดทั้งมโนภาพทั้งความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังเห็นเป็นจริงเป็นจั ง, จงตามไปตามไปตามไปตามไป Tory. ไม่ใช่หลงนะไม่จะหลงเพราะว่าไปจนร้องห่มร้องไห้นะไม่ใช่ว่า พี่นาไปเลยหลงเพ้อร้องหอบร้องไห้ไปที่มีคนปฏิบัติแล้วก็มีอาการวิตป ร, ราดอ่ะคือพี่นาไปพี่นาไปไม่ไม่พี่นาว่าตัวเองอะต้องต้องผูพังต้องสลายประกอบไม่ได้คาดหาตัวจนไม่เจอแต่นี่นาว่าสามีกับลูกก็ต้องตายไปหมดตายไยตัวเองเหลือคนเดียวในโลกจะอยู่ยังไง ร, ร้องหอบร้องไห้พี่นาเอาดูตายหมดเลยเหลือตัวเองรู้เหลือคนเดียวในโลกพี่นาไปพิทมาเขาดูตายหมดเหลือตัวเองแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เพ้อเพ้อเลยจิตีแตกแล้วมีคนวิ่งมาหาเราอย่างเลย อาจารย์ดกไปด่วนดูไปด่วนเขามีอาการที่นั่นแล้วมีอาการสติแตกแล้วเราไปร้องห่มร้องไห้เก็บข้าวของไม่รู้ตัวเลยต้องหนีแล้วเราต้องหนีไปแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วลูกก็จะต้องตายผัวก็จะต้องตายอยู่ไม่ได้แล้วเราจะต้องรีบหนีไปทุกคนตายหมดเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเราหนีไปเราต้องหนีแเราร้องห่มร้อง ไ, ucken, อง ไ, ไห้เก็บของเก็บก็ไม <iment? S 2> ่ได้เก็บจริงนะหยิบวางหย death, ิบวางมั่วตั้วไปหมดเลยอ่ะ เราไปเรียกเรียกยังไงก็ไม่ไม่รู้สึกตัวเราไปยืนเรียกอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวร้องห่มร้องไห้เก็บของเก็บไปบ่นเบ้อเพ้อไปอยู่ไม่ได้แล้วโลกนี้ตายกันหมดเลยอะไรเงี้ยบัวก็ต้องตายลูกก็ต้องตายร้องโหยร้องไห้วิปปาราชแล้วอย่างเงี้ยพี่นาวิปปาราชไม่ได้พี่นาว่าเห็นความจริงนะสังหารตัวเองไม่เที่ยงสังหารตัวเองไม่เที่ยงจะไปเห็นว่าคนอื่นไม่เที่ยงหมดตัวเองเงี้ยเหลืออีกคนเดียวในโลกนี้ พินาผิดไปเออที่นาว่าสังขารเราเนี่ยที่นาตัวเราเนี่ยแต่นี้ก็เป็นที่นาคนอื่นตายตัวเองไม่ตายซะทีเมื่อก็เลยวิปรัสดนี่เราไปแก้ด้วยนะแก้ตกอะ่ะอ้ยเราไปเอาวายแก้ต้นลานแต่แก้ตกแล้วนึเอ๊กําหนดกําหนดเอ๊ว่างพอไปเรียกก็ไป่ไมตื่นสักทีไม่รู้สกตัวทีเอ๊เราเลยกําหนดว่าจะเอาอย่างไรดีโอ้พารู้ว่าจะต้องทําอย่างนี้เราเลยรีบไป แกลงหรือเก็จเขาจะหยิบอะไรเรา redesign, เรารีบหยิบก่อนเขาจะหยิบของอะไรเราหยิบหยิบก่อนเลยหยิบก่อนแล้วเราเลยเราเรียกแกนงโทรศัพท์บอกว่าเร็วเรร็วลับไหมจะมีคนจยากเข้าป่าแล้วจะหนีเข้าป่าแล้วอยู่ไม่ได้แล้วในโลกไม่อยู่ไม่ได้รับไหมคือวันนี่วันในป่าใช่ไหมวันในป่าลุกใช่ไหม่ะรับรับคนงห้เนี่ยคนนี้อยู่ไม่ได้แล้วก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่คนอยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้ทุกคนจะตายหมดแลอยากจะเข้าป่าแล้วรับไหมรับเดี๋ยวนี้ไหมรับหรอรับหรอเอารถมารอที่หน้าเลยเอารถมารอเดี๋ยวนี้นะ เอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวนี้ยเตรียมไปแล้วรับเลยนะรับแล้วเอาไปเลยนะไปจิงครับไปจริงนะเราแก้งพูดต่างๆให้เขาได้ยินแล้วเราก็ใครจะหยิบอะไรเราไปแก้งหยิบก่อนเลยเราไปแก้งหยิบเพื่ก่อนให้เขาหยิบไม่ทันพอเราแก้งพูดด่างๆเราเห็นแล้วละสติก็คืนตัวมาแล้วแต่ยังคืนไม่หมดไปมาปุเราก็รีบจูงมือเลยไปเร็วเดี๋ยวนี้รถมาแล้วรถมารอแล้วรถมารอแล้วใช่ไหมเราไปไปเดี๋ยวนี้ ไปในป่านะไปอยู่ในป่านะไม่เจอใครนะใช่ใช่่เราก็พูดเองเออเองหมดชงมือเลยไปไปเดี๋ยวนี้ไปนี้อาจารย์อาจารย์เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ตีอาจารย์ไปเราไปไปไม่ต้องเรียกแล้วไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ยอาจารย์ไม่ต้องลาลูกลาสามีก่อนเหรอไม่ต้องลาแล้วไปเดี๋ยวนี้เลยจะไปลาอะไรทุกคนจะต้องตายหมดแล้วไปไปไปอาจารย์ต้องลาลูกลาสามีก่อนร้องไห้ไปการร้องไห้แบบนี้ ต้องลาลูกลาสามีก่อจะไปอย่างนี้ไม่ได้สติคืนตัวเลยเนี่ยวิปลาสพิจารณาเป็นวิปลาสอีกลายหนึ่งวิปลาสคือว่าพิจารณาแล้วมันต้องการให้พงปฝ่อยวางเร็วเกินไปคือมันเป็นกิเลสนะไม่รู้ตัวพอพิจารณาแล้วไปบีบความรู้สึกให้เศร้าบีบความรู้สึกให้เศร้าพอเราพิจารณาปุ๊บีบความรู้สึกให้เศร้าเลยให้หดหูให้ปพงฝ่อยวางว่าตัวเองจะตายแล้วทุกอย่างจะต้องจากจากพัดผ้าจากทุกสิ่งไป มีบความรู้สึกให้เศร้าว่าเนี่ยมันเป็นนิพิทายานคือมันเป็นนิพิทาเบื่อหน่ายปงปล่อยวางบีบให้เศร้าแล้วก็ร้องโหยร้งองไห้อันนี้ก็วิพัลลาสอีกแบบไม่ใช่นะเห็นแต่ความจริงรู้สึกแต่ความจริงรู้สึกแต่ความจริงกำลงังปลงปล่อยวางไ ว, งว้หน่อยแลเออเขาคำร่าศาสตร์ช่วยด้วยก็ได้วิปัส น, า, นด า, า, าด้วยศาสตร์ด้วยวปัสนานด้วยก็ได้ วินาสัมกุลกันไปกันได้าตลอดเวลาให้มันคงไปวางเอ็นความจริงของมันเข้าไปถึงความจริงอย่าปล่อยให้มันกายความอะไรแจกุ่มสร้างกายทําอะไรแจกุ่มสร้านนะมันต้องพิจารณาเขานะพิจาณาเหนความจริงส่วนใหญ่มันไม่มันเอาแต่ความสบายไม่จริงเอาแต่ความสบายนี่เราสอนมาจากความจริงไม่สอนมาจากความจําเลย ความจริงเนี่ยเราก็ทำอย่างเนี้ยเราสอนมาจากความจริงเราไม่สอนจากความจำเราก็พิจารณาอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนว่าพี่นํามทั้งวันทั้งคืนนี้พินาเห็นแต่ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงไม่เคลื่อนเราพินามเหรอเราเป็นฆราวาสอ่ะพอเราทําความเพียรอยู่เราไม่กินข้าวเย็นนะเรากลับมาจากทํางานเราก็คุยกับภรรยาว่าคุยกับอดีตภรรยาเราว่ามันกินข้าวแล้วมันที่นําไม่ได้ง่วงงอน เราไม่เราขอไม่กินเข้าเย็นด้วยแต่เรากลับไปทํางานแล้วเราก็คุยเขาหน่อยเพราะว่าเราไปทํางานตแต่เช้าลูกก็ยังไม่ตื่นภรรยาก็ยังไม่กินยังไม่ตื่นเราก็เลยกลับมาก็เห็นเขาเห็นหน้าหน่อยแล้วเราคุยเ้าหน่อยเขาก็จะลงไม่กินข้าวล้วก็บอกเดี๋ยวเราเรากินข้าเย็นแล้วเราง่วงตอนที่เราทําความเปี่ยนมากๆอะไรนั่นเราง่วงเราก็เลยออกไปเดินตรงกลมแต่เราไปเดินตรงกลมเราก็กลัวเขาจะเหงาเพราะว่าเรามีครอบครัวมาแล้วลูกก็ยังเล็ก ลูกผมก็ชอบเด่นในกับพ่อตอนนี้เราออกไปเดินจงกรมเขาก็เออเขากินข้าวกันแล้วเราคุยกับเขาแล้วเล่นเขาพักหนึ่งเขก็จะกินข้าวกันกินข้าวเย็นกันเออเขาก็โต๊ะโตะมานั่งมาตั้งหลังบ้านมันลูกกรมก็เป็นอาหารเงี้ยโต๊ะมาตั้งหลังบ้านก็มองเห็นเราเดินไปเดินมาเดินจงกรมเลยเราก็เดินข้างบ้านเขากินข้าวก็มองเห็นเราเดินอยู่ข้างบ้านเขาก็ไม่เหงาแต่ถ้าเราเนี่ยหนีไปเดินอยู่ในป่าไปอยู่ในวัดในป่าเนี่ยเขาก็เหงา บาที่เราก็ไปบ้างเราก็ไปในป่าบ้างแต่เราพอเราปฏิบัติได้เข้าใจได้เราก็ไปเดินอยู่ข้างบ้านนี่แหละเราก็เดินมันทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเราก็ขอว่าไม่กินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นแล้วเราก็กินข้าวเย็นแล้วมันง่วงมันง่วงมันทําได้ยากว่เราก็เดินที่เขเห็นนี่แหละแต่เราเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาตอนแรกเราก็อายเขาเดินในหมู่บ้านอายเขาคนก้าวเซลนนี้ก้าวลก็หลัเรานึกว่ามันเป็นความเราทําความดีแล้วไปอายใคร เราไม่ได้ความทความชั่วอะไรแล้วก็เดินใครจะแซวเราก็แซวนานเขาก็บอกว่าเราปลุปยามหดีกว่าเอาบุ๊กเอาลงหลับเป็นยามดีกว่าเราไม่ต้องจ้างยามเราเพราะเราลงหลัไม่เคยหลับนอนเลยมันเดิ น, ลววนกลางวัากลางคืนเนี่ยเขาบอกแซวเราเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วก็เดินที่นางเราไปวินาถึงความตายความไม่เที่ยงเราเห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงร้องขังขานลูกเราก็โดนรถชนตายลูกคนโตเราโดนรถชนตายแต่ดีน้อย แม่เราก็ตายพ่อเราก็ตายลุงที่เราเล่นด้วยก็ตายพี่ชาย envelope, ham, pillows, machine, сть, the huh? เราก็ตายพี่ป่านะอาก็ตายกันหมดโอ๊ยตายกันติดติดติดติดติดติดติดกันหมดเลยอ่ะเราก็คนนั้นตายคนนี้ตายเราก็ไปเห็นตั้งแต่เราะอยู่ไอซียูแม่เราอยู่ไอซก็ใส่ยางระยงในยางหมดแล้วแม่เราก็กลัวตายวิ่งวอนให้เราทําอะไรก็ไม่รู้พูดก็ไม่ได้มองที่กระจกมองห้องกระจกมองหาเราเราก็ไปเกาะออกกระจกยืนดูแม่เรา แม่เราก็มองอ้ อ, อนวอนให้เราช่วยอะไรกันเรามีความรู้สึกว่าให้เราไปช่วยกดสายยางออกให้ันเจ็บแ ย, ยางที่มันเข้าจมูกมั่งเข้าตรงไหนมั่งก็มันล้นเจาะเจาะไปทั่วไปแน้วสายยงสายยางเต็มไปหมดนะอยู่ในห้องไอซียะแต่เราก็ไปช่วยอะไรก็ไม่ได้แต่ไปยืนห้องกระจกมองท่านเนี่ยเราเห็นแววตาท่านน่ะมันมีความทุกข์มีความถ้าจะพูดอะไรก็เราก็พูดไม่ได้เราก็เข้าไปในห้องกระจกไม่ได้แล้วท่าก็ตายไป ตายแล้ววันลงึ้นไปรับศพออกจากโรงพยาบาลศพมันก็มันก็สีมันก็เขียวเราเห็นแม่เราสดอยู่ดีๆแล้ววันลขึ้นก็ตายสีเขียวเราสลบหลองเวทเราเห็นความทุกข์ของพ่อเราพ่อเราออกมาจากห้องพ่อเราไม่เคยออกจากห้องมาได้เลยเพราะเป็นอาตะมาะพึกงอมตะพาดอยู่ๆออกจากห้องมาได้เลยพ่อออกมาเห็นพวกเราเห็นลูกหลาน ใส่ชุดดากันหมดนะอาวทไมมีใส่ชุดดำกันหมดในทั้งบ้านแล้วแม่มึงไปไหนพวกเราก็อึกอักอึกออึกแม่มไปไหนไม่กล้าพูดนี่ครับเพราท่านมองมองไปมองมาแม่มึงไปไหนเนี่ยทุกคนใส่ชุดดำหมดแม่มาอยู่คนเดียวนั่นหละแม่มึงตายแล้วเหรอแค่นี้ร้องไห้เฮ้ยพรา เ, พเรามีแต่ความทุกข์ทุกข์กับสังขารตัวเองที่ป่วยทุกข์กับพัดภาคกับคนที่รักคือแม่เรา เราท่านก็ไปนอนโรงพยาบาลก็อึดจนตายหลายวันความทุกข์ทรมานแสนสะหัสเนี่ยเราเห็นเราเราเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยเห็นเป็นคุกตั้งแต่ตอนอยู่เป็นเต็นกันแต่ละคนเห็นความทุกข์แห่งความพัดภาคเราก็พัดภาคนที่เรารักมากมายทั้งลูกเราก็โดนรถชนตายคนที่เรารักแต่ละคนแต่ละคนก็ค่อยพัดภาผจากเราไปเดียคนละคนละคนพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายพี่น้อง ลุป้านะอ่าก็เคยพัดผ้าจากเราทีละคนละคนใบหน้าของแต่ละคนที่เราเห็นที่เราที่เราคุ้นเคยที่เราเล่นด้วยค่อยๆหายไปจากโลกนี้หายไปจากความทรงจําของเราทนละคนละคนละคนเรามองเห็นทุกกรรพสิ่งไม่เที่ยงคนทั้งหลายไม่เที่ยงคนมาก่อนเราก็ตายกันไปหมดนะทยอยตายกันไปตามตามกันไปคนมาที่หลังเราคือลูกเราก็ตายนะเราอยู่ตรงกลางเราก็ต้องตายแน่นอนเพราะว่าคนมาก่อนเราก็ตายหมดนะ คนมาที่หลังเราก็ตายแล้วคือลูกเราเราอยู่ตรงกลางเราก็ต้องตายไม่มีทางหีจะพความตายไปได้ใจของเราเลยมาสรุปได้ว่ามันเหมือนกับพูดกันเองว่าเกิดก็เพื่อตายเช่นนั้นเองเกิดก็เพื่อตายไม่อยากตายก็อยากเกิดแค่นั้นเองใจมันวางมงค์ชายวางตอนที่นนถึงมั้ เราพิจารณาเนีพิจารณาตอนตืนเนี่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็เดินข้างบ้านอย่างเงี้ยเราก็เดินพี่น้าเราข้างบ้านทั้งทั้งวันทั้งคืนเวลาเรากลับไปทํางานเราไปทํางานใจเราก็แอบพิจารณาเราทํางานรายใจก็แอบพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่นารณต่อเนื่องเลยจากงานมาแล้วเลยจากการทํางานมาเราก็มาเดินมาเดินข้างบ้านแล้วเราก็มอพิจารณาต่อด้วยอย่างตอนนั้นเราละเอียดมากนาะระหว่างที่เราพิจารณาเนี่ยนอกจากว่าเราจะไม่กินข้าวเย็นแล้วเนี่ย เรายังสังเกตละเอียดมากว่าอย่างพวกเนื้ออะไรที่มันมันย่อยยากเราก็ไม่กินอย่างพวกไว้มันหมูเนื้อที่มีไขมันมากๆเนื้อที่เป็นป้านๆเราก็ไม่กินเพราะว่ามันย่อยยากมันทําให้แบบว่ามันอยู่ในท้องนานแล้วมันอืดมันทําให้เราที่ย่อยน้ำไม่สะดวกกายไม่เบาเด็กไม่เบาเราก็ไม่กินเราก็กินปลาแทนมันย่อยง่ายแล้วเราก็กินผักเยอะมันทําให้รู้สึกว่าเวลาถ่ายออกมาไม่ค่อยหมิ เราสังเกตว่าถ้าเรากินเนื้อมากๆเวลาถ่ายมันมันเหม็นเน่าเยอะล้วก็กินผักสดๆกินกินผักมันไม่พิ่เหม็นดีโดยเฉพาะไอพวกผักที่เป็นในใบโบบกเนี่ยมันปลูกง่ายให้คนซื้อมาที่มีรากติดมาด้วยพอก็เอาใบตักไปแล้วก็รากมันเนี่ยทิ้ใบโคนมันที่มีรากมันกินกินตรงน้ําตรงนั้นก็ขึ้นและมันก็ขึ้นเต็มไปหมดใบโบบกล้วก็เด็ดมากินเสร็จปากเคี้ยวๆดื่มน้ําไปก็ใช้ได้แล้วเดินเดินจุกรมออกเดินจงกรมได้แล้ว คือกินน้อยมากเพื่อให้ร่างกายมันเบาตลอดเวลากินน้อยแล้วเราก็เออกำลรวมอินทรีย์มากคือคือเราสังเกตดูตลอดเวลาอะไรก็ตามที่เราไปแตะดูไปดูโทรทัศน์ไปดูหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งที่มีภาพโป๊ๆเปลยเปยมีมีเรื่องราวที่มันแบบว่ามีแต่เรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่มันเครียดๆ เ, เราก็ไม่แตะมันเราก็ดูผ่านๆแล้วเราก็ไม่แตะ แต่นั่นเราไม่ดูเลยพอเราตอนเราพี่นาดต่อนเนื่องเนี่ยเราไม่ดูเลยคือทิพนั่นหนึง่งมีแภาพโป๊ๆปปไปยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพวกนุ่มน้อยหอมน้อยพาเบลเลอร์อยู่หน้านาปกนั่นห น, นึ่งมันจะมีพวกผู้หญิงนุงเจงลุงบรจินี่เราก็ไม่ดูมันเลยแล้วก็โทรทัศน์เราก็ไม่ดูหนังเราก็ไม่ดูเสยเพลงเราก็ไม่ฟังเรากลับมาอาแต่โดยจังกรมแล้วพวกทีไ ป, ไปคุกไปคุกคีหมู่คนาที่เขาเขาพูดกันแต่เรื่องโ ป, โ ป, โป๊ๆไปวยเรื่องไปเที่ยวเรื่องเนี้ยนะ มีตัวผู้หญิงมีตัวดีๆที่มาที่นั่ที่นี่ที่นี่เราไม่ไปคุยเลยไม่ไปแตะเพราะจิตมันฟงสร้างฟงแตง่งเราไม่เอาด้วยเลยไม่ไม่เข้าไปคุกกี่เรามีแต่ความเปลี่ยนต่อเนื่องเราต้งเกจละเอียดมากเลยตั้งกินตั้งนอนทั้งคิดควาเป็นอยู่ตั้งการพูดคุยแล้วก็สํารวมหมดเลยสํารวมอินรีย์คือว่าเราระวังมากเลเรื่องที่ว่าทางตาเขาจะหมุิไกใจหรือที่มันจะแตะให้มีกิเลสเข้ามาเราไม่เอาเลยเพราะว่าถ้ามีแสะกิเลสเข้ามาเวลาเราไปเที่ยวนา น, านมันไม่ต่อรเนื่องเราเห็นโทษมันเวลาเรา บางทีเราเขาบอกพูดให้เราฟังบางทีเราเระวังเนี้ยเราคิดนั่งกินข้าวอยู่บางทีก็มีคนไม่มีเพื่อนที่รู้จักกันมาขอนั่งรวมโต๊ดด้วยพอนั่งรวมโต๊ดด้วยพวกก็ชวนคุยแต่เรื่ อ, กองกับะดีผีปดมเนี้ยแต่มันคุยเสร็จมันไปเนี้ยแต่มันไปแล้วพอตรงคืนเราไปปฏิบัติเราทำความเพียรพอเสร็จเราก็ทำความเพียรเราทําความเพียรจนเราถึงจับตะถึงสว่างทุกคืนเนี่ยเราเดินจนถึงจับสว่างทุกคืนแต่ระหว่างเดินเนี้ยตั้งแต่หัวข้ามอ่ะจนถึงจนถึงสว่างเนี่ย มันคิดถึงใจไอ้คำพูดสับปะรดสีประดอนที่เขาพูดเนี่ยมันไม่รู้เป็นอะไรมันไอ้นี่ยมันเข้ามาปรุงมากจริงๆเลยเขาพูดนิดเดียวแต่เรามาปรุงได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพราเราพิจารณาปุ๊บมันพิจารณาไม่ลงเลยมันนึกถึงใจไอ้เรื่องสับปะรดสีประดนที่เขาพูดนี่ยมีมีตัวตัวมีอีผมสีทองมีแหม่มีขาวมีอวบเนี่เลยมันก็พูดอย่างนี้นะแคะเตรียมเข้าว่าปุ๊บข้าวถึงใจเราเลยบางคืนไปไป็นไปพิจารณามันเงียบสงบมันสงบมันนอนหลับหมดแล้วนี่บาคืงค่ำบางคืนอื่นอื่ แต่เราไม่ยอมแพ้มันมันจะพุ่งกล้าไงกูว่าคิดแต่เรื่องความตายนอกเปลือกกูฟังความตายนอกเปลือกกูฟังแง่มุมต่างๆพี่นานแง่มุมต่างๆในความตายนอกเปลือกกูฟังความพัดผ่ากความเกิดเกิดก็เพื่อตายเกิดมาก็เพื่อพัดผ่ามีทุกอย่างก็เพื่อจากไปพบกันก็เพื่อพัดผ่ามีก็เพื่อจากไปนี่คือสัจธรรมความจริงเกิดก็เพื่อตายไม่อยากทุกข <c oughs> <ส Easter allen>์ก<ๆ>็อย่าเกิดจสิเกิดมาก็ต้องเป็นทุกข์ดูสิแต่ละคนทุกข์จนตายตายแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีก เราก็เลยพี่นาพี่นาพี่นาเงี้ยมันก็แวะไปคิดถึงไอ้เดื่องกับปาีสีมาโดนที่เพื่อนมาคุยด้วนี่ยเราก็พี่นาพี่นาแต่เราไม่ยอมแพ้มันนะเราไม่ยอมแพ้ถอยกลับมาพี่นาพุทโธพุทโธพุทโธเราไม่ยอมแพ้เลยเราพี่ณาแต่เรื่องความตายความตายมันมันจะพุ่งสั้นไงเราก็ไม่ยอมเรารู้ตัฐานรุ้ตัวฐานแต่รู้ตัฐานมันก็เนีนู่นเน่ยตั้งแต่เย็นถึงตีห้าเนี่ยมันคิดแต่เรื่องกับปดรีสีมาโดนน้องคือเนแต่เราไม่ยอมแพ้มันเราไม่เลิกหลาตราบใดที่มันยังไม่เลิกคิดไอ้นี่เรื่องอะไรเนี่ย เราก็คิดไอ้เรื่องความตายเนี่ยสู้กับมันแต่เราไม่เอามาพุดโธมมาสู้กับมันนั่นตอนนั้นะเราเด็ดเราใจเราเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมากเลยเราคิดตั้งแต่ความตายอย่างเดียวความตายนอกเปิดผู้ฟังเจ้าทั้นะงสี่ห้านี่แหละต้องไป่ห้ามงเย็นถึงสนะี่ห้านไอ้ความที่คิดเรื่องสับ ป, ประริระดสีบุตมันก็เลยจบไปจากใจเราเหลือ แ, แต่ความตายจิตใจมันก็ลมเย็นสงบลมเย็นทันทีพอสงบลมเย็นเราก็จับจิดมันเลย เราไปทํางานเราก็ยังคิดต่อเนื่องพิี่ณาต่อเนื่องไม่ขาดสายกลับมาเลยเราก็พี่นาต่อเนื่องสำคัญตรงความต่อเนื่องเนี่ยเราต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเราพี่นาอย่างเงี้ยต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทาอย่างเงี้ยสองเดือนกว่ามะสองเดือนครึ่งสิมันก็ปงฝอยวางปงฝอยวางปงฝอยวางเสองเดือนครึ่งมันปงก็ไปปงก็ไปปงฝอยวางเข้าไปปงฝอยวางเขก็ไปปงฝอยวางไปสองเดือนครึ่ง จิตมันก็เข้าไปสู่ความจริงเข้าไปความจริงก็ไปว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นใดเพอก็เพื่อตายพบกันเพื่อเพื่อท่ามีทุกอย่างก็เพื่อจากไปไม่มีสิ่งใดเลยที่เอาไปได้ยึดมั่นถือมั่นได้มันยึดมันก็เลยรู้สึกว่าเกิดมาไม่เห็นจต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรได้เลยไม่มีอะไรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เพราะตัวเราที่ตัวก็ต้องดับเหมือนคนอื่นเหมือนกันคนเกิดมาแล้วก็ต้องก่อนเราทุกคนก็ตายไปหมดนะ คนเกิดมาที่หลังเราแม้จะลูกเราก็ต้องตายไปหมดแล้วที่สุดเราก็ต้องตายตามเขาไปเหมือนกันทุกคนนี่เนี่ยคือสัจธรรมความจริงอดีตภรรยาเราและลูกลูกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สุดก็ต้องตายกันไปตายตามเข้าไปทั้งหมดทุกคนไม่มีใครเลยจะยั่งยืนในโลกนี้แค่นี้เนี่ยจิตมันก็ลงเลยคงปล่อยวางพูดเราเด็ดขาดมากเลยตรงเนี้ยเราพูดเนี่ยเรามอธิบายเราพูดจากความจริง เราไม่เอาความจําใครมาหรอเอาทําอย่างจริงจริงเราทําจริงเราเลยมเรามาพูดกับใจของเราทําอย่างนี้เฮ้ยไม่มีผิดหรอกพราะแม่ครูอาจารย์เราแต่และคนก็แบบแต่เราท่านก็มาเล่าให้ฟังก็แบบเนี้ยแต่พีแตบบ่ว่ามแง่มุมมันต่างกันไปแต่ก็ลงที่ความไม่เที่ยงในจะังทุกข์ของอนัตตาเนี่ยท่านเอาจริงที่นาเอาจิงความนเปกลัวบูฟังความไม่เที่ยงเน่ยนะท่านไม่มีถอย ไม่สนใจเลยเราไม่เคยพักเลยกี่วันกี่คืนเราก็ไม่เคยพักมาก่อนเนี่ยดูที่ที่เรามาสอนใช่ไหมอยู่กันเนี่ยเราสอนตั้งแต่ตั้งแต่วันศุกร์เนี่จนถึงวันอาทิตย์เราไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปนอนเลยนะอย่าว่าแต่เข้าไปนอนเลยเราไม่เคยนั่งหลับขับประงกตกีบเดียวให้ลูกศิษย์เห็นเลยขับประงก์บูดดือนก็ไม่มีเราสอนตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเย็นวันศุกร์เลิก ง, งานแล้วจนถึงเนี่ยจนถึงวันอาทิตย์เนี่ย เราไม่เคยนั่งหลับสงบให้ลูกผิดเห็นเลยไม่ต้องว่าเข้าไปนอนเราไม่เคยเข้าไปนอนเลยเราสอนลวดเลยไม่เคยนั่งหลับกับสงบให้ลูกผิดเห็นเลยเราฝึกแข็งแข็งมากเลยลูกผิดเราเมาืก่อนไปอยู่กันทั้งวันทั้งคืนีหลายวันหลายคืนไม่หลับไม่นอนอยู่กันสามวันห้าวันเจ็ดวันอยู่กันกนี่คลึกไปหมดนะที่บ้านเราเมื่อก่อนนะเนี้มันอยู่กันแข็งแข็งมากทํากองเพียน ต้องเพียรอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปสนใจร่างกายแนละ้สนใจแต่ว่าใจจะไม่พ้นทุกข์เราไม่ห่วงมันเลยสังขารเนนีะ่เราห่วงแต่เพียงว่าใจไม่พ้นทุกข์ไปนั่นแหละเราไม่เคยห่วงสังขารมาเลยมันจะเป็นจะตายไปสนใจเราห่วงแต่เเดียวว่าใจใจจะไม่พ้นทุกข์แล้วสังขารเราไม่หลับไม่นอนนะเราไปนอนอนตอนที่กลางวันนะกลางวันเรารีบรีบเอาข้าวสั่งข้าวคุณมากินพอเรากินเสร็จเราหลับเลยนั่งหลับกันั่งหลับก็เก้าอี้พี่มันเก้าอี้โตเอ้เก้าอี้ที่ทํางานนั่นแหละเรานั่งหลับที่เก้าอี้หลับ พอเราียกินข้าวเสร็จหลับเลยนั่งผิงกุ้ยอีหลับแล้วมาตื่นรู้สึกตัวมาทีก็ทํางานต่อเลยรู้สึกตัวปุ๊บก็ทํางานเลยทํางานแล้วก็กลับมาก็เดินเดินเข้าเย็นได้กในการเบากายเบาใจเบาแต่หลับแล้วตอนที่ยังไม่หลับเราก็พิจารณาไปแล้วเราก็หลับหลับไปแล้วเราก็พอรู้สึกตัวเราก็พิจารณาเลยไม่ว่ากายจะทําอะไรใจพิจารณาเลยความสำคัญคือความต่อเนื่องนี่เนี่ยใจเนี่ยมันพิจารณากับติดตรงเอกความน่าเปิดผูกพัน ความทุกคนก็ตายพั้ากไปคนมาก่อนเราก็ตายไปหมดแล้วคนมาที่หลังเราก็ตายตัวเราและอดีตภรรยาเราและลูกเราในปัจจุบันก็ต้องตายดับไปหมดทีไอ้ควาตรงนี้ยัติตตรงนี้ย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดสายเนี่ยจิตมันก็เลยโปร่งปวางโปร่งปวางโปร่งปวางโปร่งปล่อวางมันรู้ชัดถึงความโปร่งมันรู้สึกถึงใจเลยว่าตรงโปรงโปร่ ป, รปวางโปร่งปวางใจที่มันไปโหยหาถึงความอยากร่ําอยากรวยอยากโนอยากเนี่ยมันค่อยๆโปร่งปวางว่าที่เกิดเปนดับจะนิดไม่เหลือแล้ว ไม่มีอะไรเลยที่จะยึดจะยึดเอาไปได้ที่จะแบกหามมาไปได้ร่ารวยที่สุดเท่าไหร่ก็ต้องปล่อยวางหมดมีลูกมีหลานมีครอบครัวที่สุดก็ต้องวางหมดไม่ยึดไม่อาจจะแบกหามใครไปได้ทุกคนก็ต้องตายแบบไปดูที่ว่าคนมาก่อนเราก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าน้าอาตายหมดแล้วลูกเรามาที่หลังเราก็ตายแล้วตัวเราก็ต้องตายจากไปทุกคนเราก็ต้องตายจนเหมือนกันทุกคนอนดีตภรรยาเราลูกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องตายไปทุกคนทุกคนเกิดมาก็เพื่อตายไม่มีอย่างอื่นเลย เราเลยใจเราที่จะยึดมั่นถือมั่นติดตัวีนี้เราก็เลยวา ง, รงเราจับติดอย่างเงี้ยไม่าจะทำอะไรใจมันจับติดทั้งวันทั้งคืนทั้งนทั้ น, น, น, นสองเดือนกว่าใจมันก็วางบึ้มลงไปเลยบึ้มลงไปมันเหมือนโลกธาตุภายในกับภายนอกมันระเบิดทะลุไปถึงกันทะลุโลกธาตุมันเหมือนกับโลกโลกธาตุภายในกับภายนอกมันทะลุไปถึงกันเหมือนระเบิดไปทะลุถึงกัน คาราวาเป็นคาราวาทำเนี่ยกลายเป็นคาราวาเราทำแต่เป็นคาราวาแล้วจะบอกว่าที่บอกว่าคาราวาทำได้ไม่จริงเลยเราไม่ได้สอนจากความจำเลยเราสอนจากความจริงเราทำจากตอนเป็นคาราวาเนี่ยเป็นคาราวาเป็นคาราวาเราทำได้เป็นคาราวาแล้วที่บอกคาราวาบอกไม่มีเวลาไม่มีลาวไม่มีเวลาเนี่ยเราเนี่ยุ่งที่สุดเลยคู้นี้จะรู้ว่าเราเนี่ยยุ่งที่สุดจริงๆเลย เรางานงานก็ยุ่ที่นาท่ายุ่งแล้วลูกศิษย์ก็มากเรานี่ทั้งโอ้โหลูกศิษย์ก็กวนงานก็งานก็ต้องทํางานหลวงเราก็มีเขาเอาตําแหน่งมาให้เราเต็มหมดเลยให้เป็ น, เ ป, นเป็นประธานทำนั่นประธานทําได้นี่ประธานประธานทํา jso ประธานทํำ t q m 5สทําอะไรเท่าไหร่เต็มไปหมดเลยเราขยันคิดโปรเจกต์ทิดโครงการงานมันก็เลยมากมายเป็นประธานเป็นลูกจีกลุ่มแล้วไหนจะต้องงานในหน้าที่อีกงานสอนลูกศิษย์อีก มีเว็บไซต์มีรูกศิดทั่วโลกมันก็เลยคนแห่กันมาเยอะเราให้เวลาคนหนึ่งหนึคำถามนั้นนะเมาก่อนมนสารวัตรหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบไม่มีเวลามานั่งนายงนี้เราเพราะคนมางานเราก็เต็มเต็มห้องเต็มตัวไปหมดคนก็โทรศัพท์มามีเลขามีท่านผู้อกษาเป็นมาช่วยรับโทรศัพท์เป็นเลขาคนหนึ่งคอจัดคิวไว้เวลานี้ถึงเวลานี้เวลานี้ถึงเวลานี้ให้หนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งคำถามหึงคำตอบในทุกคนมาได้หนึ่งคำถามเท่านั้นแหะ แล้วก็มาให้ตรงเวลาตรงเวลาตรงเวลาตรงเวลาอย่างนั้นแหละเหมือนกับมาหาหมอเลยมาให้ตรงเวลาแล้วก็หนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบไปหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบไปมีเป็นท่านี่แน่ที่มีเวลามากคุยมากมีเวลาที่จะคุยกับพระท่านเองมากเราเพ็นกะลว่าไม่มีเวลามากขนาดนี้เดี๋คิดตรงนั้นมาเลย เราทําหน้าที่ทีถูกต้องเราจะไปคิดอะไรตรงนั้นน่ะมันจะบาปมันบากคําบนับ่มันไ ม, ม่เราไม่เอาปากาใจก็ใช่ได้แล้วเราเราทำหน้าที่ที่ถูกต้องไม่กินสินบาปไมสกินบนไม่ลำเอียงไม่มีอคติสื่อทำปากถิ่นจะดีไปรได้ใจเที่ยงทำอย่าไปสนใจมันจะบาปทําให้สงบาปกรรมในทหน้าที่ที่ถูกต้องเน้นก็กลัวเป็นกังวลไม่หมดแล้วก็ปฏิบัติเข้านั้นอย่าไปเกิดให้เป็นรับกรรมจริงๆไปเกิดใหม่ก็ต้องรับกรรมอย่าไปเกิดรับกรรมอีกเลย แอาจบสิ้นไปปฏิวัตจบสิ้นพอใจเนาะตามความเพียนเท่าอย่างนี้เนี่ยทำไมต่อทิ้งยอมต่อถึงกันทิ้งลย่างนั้นเนี่ยเาพูดใหม่ใช่ใช่แล้วไรก็กลับมาพูโตพโตใหม่ เธอไปก็กลับมาพูดโท้พูโตใหม่พี่หนะนาสัาสขงสขารก็เหมือนกันเธอไปก็กลับมาพี่นาสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วจว่าจะอยู่ในขั้นของธัรมาลีปัสสนาอืม ก็ได้เราเราจะพิจารณาสังขารไมเที่ยงหลับกับพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยใจเราพอที่จะพิจารณาสังขารเห็นความจริงในในสังขารไมเที่ยงสังขารไม่เที่ยงจิตใจมันโปร่งปล่อวางอย่าสอนเนื้อไม่ขาดสายเราเราไม่ต้องกลับทิ้งทิ้งไงตรงที่ที่เราพิจารณามามาบริกรรมพุทโธพุทโธมันจะขาดว่าขาดตอนเพราะตอนจิตใจกาลังเข้าถึงความจริงโปร่งปวางโปร่งปวางโปร่งปวางมวลบริกรรมพุทโธพุทโธซ็มันก็เลยไอ้ที่เราโปร่งปวางมันเลยขาดว่าขาดตอน พอกลับไปพิจารณามาเลยเข้าถึงความจริงไม่ได้หลังขาดมาขาดตอนถ้าเราใจเราเข้าถึงความจริงแล้วให้พิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยไม่ต้องกลับมาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธก็จะจากว่าเราเมื่อเพลินนานไม่ได้ไม่ได้พิจารณาต่อเนื่องไม่ขาดสายมันพุ่งซ่านเลยต้องกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทให้ใจมันมีความสงบลมเย็นแต่ถ้าใจเรามีความสงบลมเย็นพอทจะพิจารณาได้แล้วเราพิจารณาไปเลยอย่างที่เราบอกอ่ะที่ามีคนมาพูดเรื่องสัมปชัญญะสิบประดม เราพิจารณาแล้วจิตใจเรามันมันฟุ้งเา้อแต่็นเรื่องสัพปะริดถึงโดนถึงตีห้าเลยตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีห้ามันไม่ันไม่หยุดเลยคิดแต่เรื่องไ้พวกฟุ้งแฟ้อพวกนี้เต็มเต็มกลัผกป่นอ่านอะไรเนี่ยมันก็ปิดคิดอยู่แต่ไอ้เรื่องนี้นะพิจาราทั้งคืนแต่เราไม่เคยถอยไม่ทอถอยไม่กลับมาพิจารณาผู้ตผู้ตเราพิจารณาถึงแต่สุภษกรรมฐานมรณาลุติความนอกเปลืตายนอกเปลือผูกพันเราก็พิจารณาแข่งกับมันกับไอ้ที่มันิดฟุ้งเฟ้จนะั้งถึงตีห้ามัน ธุรกิจงรุงเทพมันแพ้ไปเดี๋ยวแตกการที่นาอย่างเดียวเราไ ม, ไม่ย้อนไปย้อนมาแต่บางคนก็ก็ย้อนกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุ ท, พทก่อนสงบมแล้วก็กลับไปที่นามันแล้วแต่อุฟิสัยของคนนะ นายทางโลกก็สอน ว, ว่าให้ที่งานทางบวกอย่างนีบวกนะครับแต่ผกทำเรื่องการอธิบายมาทุกครูนะวุฒเนี่ยแบบที่ ง, งานใ น, ในความพีิงบอก็เลยเกิดความกังวลว่าจริงๆแล้วทางโลกก็บอกกันว่าให้คิดเปแค่บวกถูกต้องิจริง เราไปคิดอะไรในแง่ลบก็จิตใจงอหัวดิคิดในแง่ลบก็เครียดคิดวิพาวิจารคนต้นงเจนิตามิตเป่งโทษคนนี้คิดในแง่ลบกับตนเองคิดในแง่ลบก็อืน่นมีความทุกข์ความเครียดจิตมันก็ไม่ไม่น้อมนำไปสู่ความจริงไม่พิจารณาความจริงบนฐานจุงเรืองโล ก, โลก จิตมันก็จะเศร้ามองอยู่ตลอดเราก็ต้องรู้ตัวกันมันไม่คิดบวกไม่คิดลบเพระเราไปเช่งโทษคนอื่นเนไงใจเราก็เศร้ามองเขาจะเป็นอย่างไรเขาก็ต้องรับผลกรรมเขาเองแหละพรั้งนี้ทำกรรมอะไรก็ต้องรับผลกรรมเขาเองเราก็พิจารณาไปแต่เรื่องควาจริงอคืออย่าไปอย่าไปสนใจเรื่องนั้น่ะเรื่องของเขาเนี่ยแหละใครจะทำอะไรเรื่องของเขาเองเราก็รู้อยู่ว่าเขาาทํางนู้นทำอย่างนี้เราก็รู้อยู่แต่ใจเราจะไปเพ่งโทษเขา เรียกว่าคิดบวกไม่คิดลบใจเราจะไปทิ้งโทษเขาอย่าไปตำหนิจิตเทียนเขาแต่เราก็รู้แล้วว่าเขาก็เป็นคนไม่ดีอย่างนี้นเขาทําเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ทํำใครามกรรมอะไรก็นายรับผลของกรรมเข้าไปเองอ่ะช่างเขาเราก็รู้อยู่ว่าเขาทำกรรมนี้เขจะนายรับผลของกรรมไปเองแต่ใจเราจะไปทิ้งโทษเขาเราก็พิจารณาแต่ความจริงความจริงความจริงความจริงจิตเราก็พนไปใครจะเป็นยังไงก็ตามจิตเรามุ่งถูกมากกว่านิพพานเป็นพอ ตัวเองนะ น, นะเวาจิตเราตกาตกเราตกกเราคึกคุว่ากแล้วโรกบอกใเราว่าคิดผัวเพรวยไม่ใช่ความจริก็เลยลงสว่าจริงๆแล้วเราควรจะพิจารณาความเป็นจริงหรือจะคิดเกิดความจริงกันเป็นแง่เดียวไม่ใช่แล้วแต่กระจผิด มันจะไปคิดเอาเอาเรื่องโลกมาคิดอล้วก็เท๊ผิดแล้วพิจารณาความจริงคือเป็นนิสสังขารไม่เที่ยงพิจารณาความจริงคือสังขารไม่เที่ยงไม่เดอพิจารณาความจริงออเอาเอาคนอื่นพิจารณาความจริงของคนอื่นเรื่องเรื่องโลกเรื่องสังคมพิจารณาความจริงสังขารไม่เที่ยงต้งหน้าเ่ิยผูกพังเนี่ยคือความจริงอันนี้แต่เราไปบอกพิจารณาเกนจริงเรื่องสังคมเรื่องทะเลาะการเรื่องประเทศชาติเรื่องโลกอันนี้ไม่ใช่คนละเรื่องกนัน ในเจ่นับท่านสับสนไอ้นั่นเป็นเรื่องไหมว่าเราเห็นเขาเป็นอย่างนั้นเน่ยเราก็รู้เราก็เรียนรู้ทำความเข้าใจโลกเขาเป็นอย่างนี้เขาทาอย่างนี้เราก็รู้ข่าวสารบ้านเมืองมันประดับสติปัญญาไว้ เ, ไเห็นเราก็เห็นว่าเออใครทำกรรมอะไรเพราะเต้องรับผลของกรรมนั้นแน่ไม่ต้องพิกาต้องได้รับผลของกรรมเองเราในในเช่นหน้าที่เราต้องไป็นตำตีจีเตียนเขาอืมแต่ถ้าเรามีหน้าที่มันเกี่ยวข้ อ, ของกับหน้าที่เราเนี่ยเราจะทําเราก็ต้องทํา ถ้าเรามีหน้าที่เรามีหน้าที่ถูกต้องเป็นตำรวจไปจับกุมเป็นหน้าที่ทหารทําไปรักษาประเทศชาติมีหน้าที่เป็นผู้รักษาเป็นนายการจะต้องฟ้องมีหน้าที่เป็นผู้รักษาต้องตัดสินเขาเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปให้เป็นเป็นหน้าที่ที่สมบูรณ์เราถูกต้องไม่มีอคติสี่ไม่ลําเอียงเพราะเพราะรักเพราะช่างไม่ลําเอียงเพราะสินบนไม่ลำเอียงเพราะความหลงก็ทําหน้าที่ไปโดยสมบูรณ์หน้าที่ถูกต้องส่วนไทยเป็นยังไงเราก็เราเนี่ย เราเป็นคนฉลาดเฉลียวอยู่นี่เราก็รู้ว่า<ๆ>เขาทําอย่างนี้มันถูกไม่ถูกอย่างไงเขาจะรับขนจ ร, ร, ร, ร, ร, ร, รอย่างไงเราก็รู้อยู่แล้ควคนดีคนชัตต่ ว, รวเราก็รู้อยู่แล้วเราไม่จะไปคบเขาเราก็รู้อยู่ว่าใครเป็นยังไงคนพาดยังไงถ้าเราตกต่ํามันก็จะไปคบด้วยเราก็รู้อยู่อันเนี้ยแต่ใจเราเท่านั้นเนี่ยจะไปเพ่งโทษเขาจะไปต้มนิ้เขาใจเราเนี่ยที่หนาความจริงคือความจริงก็คือสังขารร่างกายเราที่เราพูดไปมันสอนไปทันทีในเรื่อง ความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงความน่ากลัวผู้พังสลายเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาความจริ ง, งนนนเนี้ยให้มันตอนเรื่อในขาดสายใจเราได้ทนทุกข์ไปแต่ในโลกเขาทําอย่างนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้เราก็รับรู้ไว้ทําความรู้ความเข้าใจมันมันแตกฉานว่าโลกเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยข่าวสารบ้านเมืองในโลกในต่างประเท ศ, ใ น, เทศในประเทศไทยเป็นอย่างนี้ข่าวเศรษฐกิจสังคมความเป็นไปของบ้านเมืองเราก็เรียนรู้ตามความเข้าใจตามความเป็นจริงเรียนรู้เข้าใจตามความเป็นจริงแต่ละ หมายถึงว่าตามสถานการณ์ที่มันเป็นจริงก็อย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราเหตุอย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ใครทำกรรมวันนี้ก็ต้องไปได้รับผลของกรรมวันนี้ก็ทํากรรมดีอันนี้ก็ได้รับผลของกรรมดีอันนี้แล้วก็เรียนรู้ตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยเหตุผลแต่ความเป็นจริงที่เราพูดเนี่ยความเป็นจริงของโลกกับความเป็นจริงของสังขารร่างกายเนี่ยที่ไม่เที่ยนก็เป็นความจริงเป็นความเป็นจริงที่เพื่อความ้นทุกข์กับความจป็นจริงที่เรียนรู้ความเป็นจริงของโลกก็คือเรียนรู้เพื่อจะว่าเห็นความเป็นไปของโลกเดี๋ยเป็นการคนซื่อไไมโลกกเหตุารณ์ เราก็ต้องเรียนรู้ความเป็นจริงของโลกเรียนรู้ความเป็นจริงของสังขารภายในไม่ทราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะอือใช่คือเราเรียนรู้โลกเพื่อให้เราอยู่กับโลกได้ เราต้องเรียนรู้โลกการคนฉลาดเหลียวทันเหตุการณ์ทันคนทันเหตการณ์เราต้องเรียนรู้เว้นมากๆต้องทำความเข้าใจมากๆเพื่อให้มันทันโลกการเหตุการณ์ทันคนไม่จะเป็นคนซื่อบื้อไม่ทันไทยอันน yes, ี Martine, 对对้เราต้องเรียนรู้ความเป็นไปของโลกความเป็นไปของบ้านเมืองความเป็นไปของสังคมทําไมทะเลาะการเฉลิมเสื้อแดงใครถูกใครผิดเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้แต่ใจเราเท่านั้นเนี่ยที่ไปไปเพื่อโทษไทย แต่เราเรียนรู้ทั้งโลกจะต้องทําอะไรมีหน้าที่ต้องไปแจ้งความมีหน้าที่จะต้องไปจับมีหน้าที่จะต้องไปจับสินเราเป็นเรามีหน้าที่อะไรเราเป็นพวกอ้าไป็นตำรวจไปต่างแล้วเราทําหน้าที่แต่เราต้องทําหน้าที่ไปแต่ใจเราเนี่ยไม่ไปเพ่งโทษเขาไม่ตาหนิเขาเพ่งโทษไมถึงว่าแม้แต่เขาประกาศหน้าหนันงสือพิมพ์ว่าโจรคนเนี้ใครจับเป็นก็ได้จับตายก็ได้พอวันลุกขึ้นเนี่ยถูกคนยิงตายถูกวิสามันฆาตกรรมแล้วเราไปดีใจเนี่ยกรรมนั่นมาตกมาผมเราเลยความดีใจเนี่ยนี่ย สะใจพี่เขาเนี่ยดีตายซะได้ก็ดีเราก็ไปสะใจกับเขาไปดีใจเขาที่ที่คนเนี้ยถูกเขายิงวิศน์า ม, มาฆนกรรมอยู่ๆหาเรื่องเลยแทนที่เราเนี่ยจะไม่ต้องไปรับผลของกรรมอะไรเพราะเราไปเอาใจไปแ่เขานั้นเนี่ยกรรมนั้นตกของเราเลยเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในชาติก่อนนู้นเนี่ยดีใจพี่จ่ประมงเนี่ยฆ่าปลาได้มาก ผลกรรมวันนั้นเนี่ยพอมาถึงมาเกิดเป็นพระเจ้าในชาติในชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นโรคปวดหัวรักษาไม่หายกรรมที่ไปดีใจที่ชาวมงงฆ่าฆ่าป่าได้มาเพั้นถ้าเราเนี่ยเอาใจเราไปเกาะเกีเ่ยวด้วยไปพัวพันเนี่ยมันเข้ามาถึงตัวเราเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเอาสื่อไปเป็นสะพานไฟเลยเดิมนั้นไม่มีสะพานไฟก็ ไ, ไม่มาไม่ช็อตมาถึงตัวเราแต่เอาใจเราเนี่ยไปเป็นสะพานไฟเอาไปต่อเชื่อมแลเอาสายไฟไปไปต่อเชื่อมเข้ามาถึงตัวเรา เราก็ได้รับผลของกรรมถ้าเราไม่เอาใจเราไปเป็นสะพานไปไปเชื่อมอะไรกับเขาใครเป็นยังไงไม่ว่าเออเราก็แค่รับรู้อยู่เราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ยก็ทําเหตุนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องของเขาแต่เราก็รับรู้หมดเนี่ยว่าใครเป็นอะไรเป็นยังไงเรารับรู้หมดแต่ใจเราไม่ไปไปสะใจไปเสียใจไปสะใจไปดีใจกับเขาที่เขาฆ่าคนนั้นได้เขฆ่าคนนี้ได้ดีใจกับเขาเราไม่ไม่ไม่เอาใจเราไปไปไปต่อสายไฟเชื่อมมาถึงเราเราก็ไม่ต้องได้รับผลของกรรม พอใจไปเชื่อมาปุ๊บ ก, กรรมนั้นตกมาถึงเราเลยความจะพ้นจากกรรมได้ต้องจะต้องมีเฮลิอตปะหรือจะพ้นจากกรรมนั้นได้เฮลิตัตปะคือ้ายแก่ใจเกโ ก, กต บ, บาป ลายกระจที่ดอุตสปะคือลายกยาระจไงก็คือว่าเรารู้สึกลายกระจที่เราทํำบาปกรรมไปที่เราไปพลาดพังไปโอ้บางทีคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกประสาทนั่นแหละมันจะเขาตกมาลกไหมคนกรรมทํากรรมชัวช่วไงโจรผู้ร้ายไงก็ตามเนี่ยเราเชื่ออยู่เสมอว่าชาติใดชาติหนึ่งเขาต้องเคยทําความดีไม่เข้ามาเกิดเป็นคนไม่ได้หรอกชาติใดชาติหนึ่งมันต้องทําเคยทําความดีมาแต่ผลกรรมทํามันทําให้เขาติดตัวมา ความไม่รู้อวิชชาเนี่ยจิตทำให้เขาเนี่ยต้องมาทำบาปกรรมกลับไปตกไปสู่อับอายอนล้วเนี่ยในความดีเนี่ยในจิตใต้สํานึกของคนทุกคนเนี่ยมันมีหมดมันมีหมดไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่า น, นี่คือความดีความชั่วคนไม่แต่โจรก็รู้ใครดีใครชั่วมันเลยมันมีจิตอยู่ิตใต้สํา น, นึกหมดแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปเพ่งใจเราเรักษาใจเราดีอย่าไปเพ่งโทษทยเมื่อเราเนี่ยทําอะไรผิดบาปกรรมไปทําทางกายวาจาใจไปแล้วเราให้สมเด็จเสียใจ เราพลาดทังไปแล้วทางกายวาจาใจต่อไปนี้เราจะไม่ทําอีกความที่เรามีฮิรอตะปะมีฮิี่คือลายแก่ใจสิ่งที่เราพลาดพังไปแล้วแล้วเราก็นึกอธิษฐานในใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์นับต่อไปนี้เป็นต้นไปบาป ก, กรรมทั้งหลายที่เราทํามาแล้วทั้งหมดทางกายวาจาใจเราสานึกถึงํานึกผิดถึงโทษบาป ก, กรรมนั้นเราจะไม่กระทําบาป ก, กรรมอีกต่อไปทางกายวาจาใจนี่คือ ไอ้ตัวนี้มาลายแก่ใจเราลายแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลายกับพระพุทธตามประสงค์ลราละายแก่ตัวเองก็คือผู้เนี้ยก็จะสามารถล้ายจากใจได้นีเฮลี่คือลอายแก่ใจมีโอตป่ะคือเกงัวต่อ บ, บาบโอตป่า ก, ก็คือว่ามันเป็นสิ่งภายนอกคือเราจะไม่ไปกระทำตา ก, กายว่าจาใจาก็จะไม่ลงมือกระทําอีกได้เป็นโอตป่าคือเกงกลัวต่อ บ, บาบใหม่ที่จะเกิดขึ้นไอ้ส่วนที่ที่มันผ่านมาแล้วที่เราทํามาแล้วเป็นเฮลี่คือลอายแก่ใจ อตปาคือเกณฑ์ต่อบคือเราจะไม่ไปทําบาปกรรมก่อร่างกายวาจาใจาอีกต่อไปในอนาคตนับแต่จะเปต่วนไปมาเลยประกอบกันคือทีเดียวอุตปะคือมาละอายแก่ใจเราขอโทษขอโทษขอโท ษ, ข อ, โทษขอขามาต่อสิ่งที่เราล่วงเกินไปแล้วทั้งหมดกับพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ต่อพุทธศาสนาต่อตอบิดามดากูบาอาจารย์ต่อต่อทุกท่านที่เราล่วงเกินมาแล้วทุกภพทุกชาติทุกยนคทุกยุคปัจจุบันเราขอโทษขอโทษจริงๆจริงแกใจของเรา มันก็จะถูกล้างออกไปจากใจเราก็โทษ่อยๆก็โทษเ่อยๆแล้วของใหม่เราก็ยัไม่ทำไอ้ที่เราขอโทษเราไลาก่กระจแล้วขอโทษเ่อยในใจของเราเน่แหละมันก็จะล้างออกไปเรียกว่ามีฮีรส่วโอตป่าคือเราจะไม่กระทาต่อไปต่อไปเราจะไม่ทำอีกแล้วทั้งกายว่ า, จาใจไม่กระทาอีกเอออ เราก็มีเขาถูกจับไปอะไรล้วก็สะใจถูกไปทึงโลกอาหารชีวิตเราสะใจกรรมนั่นมาตกมาถึงเราไม่ใช่เราเรารู้ตัา้งาใจเราจะไปเทิ้งโทษใครแต่เราก็รู้อยู่ว่าเออเราก็อ่านข่าวสารบ้านเมืองเราก็รู้อยู่แต่อย่าไปตำหนิติดเตียนเที่ยงโทษเขาใช่ใช่กรรมใดใครก่อกรรมนั้นเขาต้องรับบนหนังเขาเองือแต่เรารู้อยู่ว่าเขาทําผิดตอนจำไม่ดี ใจเราไม่เป็นกลางเราจะปฏิบัติธรรมค้นทุกไม่ได้เพราะใจไ ม, ม่เป็นการใจมันมีความลำเอียงก็เหมือนกับอย่างเนี้ยเราไปเป็นผู้รักษาไม่ได้ผู้รักษาเนี่ยที่ผู้มาถึงผู้รักษาที่มีใจเป็นธรรมมีใจเที่ยงธรรมก็ตัดสินได้กับทุกฝ่ายตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมนะคนไหนที่เที่ยงธรรมเขาก็ตัดสินได้ไม่ว่าใครขึ้นมาเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมตามตามเหตุ ตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ตัดสินไปตามอารมณ์ไปตามความเกลียดชงังความรักความชังอย่างนี้มันไม่เชี่ยงธรรมไม่เป็นธรรมถ้าเราตัดสินด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นใครที่ขึ้นมาข้อที่จริงก็ทําผิดยอมได้รับของน้องคำคือทําความผิดตัดสินไปตามข้อที่จริงที่ทําความผิดไม่ใช่ว่าไปตามอารมณ์ไปตามความเกลียดชงังรักข้างนี้ <guideline. S 1> เกลียดชังฝ่ายนี้ ถ้าเราไม่เรามีต้องความชอบไม่ชอบมันก็เราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อที่ใจเรามาเพื่อเห็นใจเราเนี่ยจะมีความชอบความชังเราก็ปฏิบัติที่ใจของเราจะต้องสิ้นความชอบความชังนะแต่เรื่องที่เขาทํากรรมดีกรรมไม่ดีอะไรเนี่ยถ้าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสอนสั่งเขาเนี่ยเราก็สงสัยสอนสังส่งไปเราเป็นพ่อแม่เป็นครูอาจารย์เราก็สอนสั่งไปแต่เราไม่ใช่พ่อแม่เขาไม่ใช่ครูอาจารย์เขาาก็ไม่ฟังเราาเราเป็นพ่อแม่เป็นครูอาจารย์เราก็สอนสั่งเขาไปแต่เขาไม่ฟังเราเราก็ไม่มีหน้าที่เสมอสอนสั่งเขา ไม่ใช่จะวางเฉยคือให้เห็นใจเราเนี่ยยังมีความชอบความชังไหมเราพอมีความชอบความชังแล้วก็แก้ที่ใจของเราแก้ที่ใจของเราแก้ที่ใจของเราจนกระทั่งใจเราเนี่ยสิ้นความชอบกล่องกระชังแล้วเราก็ฟังได้ใจเป็นกลางตัดสินคดีได้ใจสินกลางไม่เอ็เอียงไม่ลำเอียงเนี่ยแหละเรียกว่ามีผู้เป็นใจเป็นธรรม ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเช็เฉยเดี๋ยไม่เข้าใจนะไม่ใช่แล้วงั้นเราเช็เฉยมันทำให้ไม่รับรู้เลยแล้วไมใจเราทําเราทาใจเช็ดเฉยไม่ยอมไปไม่ยอมออกไปไปทําหน้าที่ไม่ยอมท่างท่เกี่ยวคือให้เพื่ออ่านใจเราให้พ้นทุกว่าใจเราเนี่ยยังมีความลำเอียงไหมเราปฏิบัติดูที่ใจของเราเนี่ยจะมาบองว่าใจเราเนี่ยสิ้นความลาเอียงเพราะความรักความชังความเลือกข้าง แต่เขาทํากรรมไม่ดีอะไรก็รู้อยู่เรามีหน้าที่เราก็ตัดสินไปจับเขาไปทําหน้าที่ทรากษาไปไม่ใช่ว่าเราลอเอียงไปได้ไปหนึ่งอย่างนี้มันไม่เที่ยงธรรมคาว่าเป็นธรรมเนี่ยเป็นธรรมคือเที่ยงธรรมคือเที่ยงธรรมต่อทั้งภายนอกและเที่ยงธรรมกับอารมณ์และความรู้สึกภายในใจของเราอารมณ์มาที่มันโปรง่งโล่เบาสบายเราก็มีความเที่ยงธรรมต่อมันคือไม่ไม่เอียงเงข้าไปชอบมัน ไปรักมันไม่อยากให้มันหายไปอยากให้มันอยู่กับเราเพออารมณ์ที่มันความรู้สึกที่มันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายเราก็เกลียดมันอึดอัดมันพยายามผลักไสดิ้นรนกำจัดมันราคาญมันอย่างนี้เราเป็นคนไม่เที่ยงธรรมเราไม่ฝึกใจของเราให้มีความเที่ยงธรรมตั้งแภายนอกภายในเราก็พนทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่เฉยระวังเฉยอย่างนั้นไม่รับรู้อะไรไม่ใช่นะเขาจะผิดอย่างนั้นเนี่ยงงายๆซื่อบื้อไม่่เฉยไม่ใช่เที่ยงธรรมเนี่ยอุเบกขาคือเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดคือ ดูใจของเราว่าเราเที่ยงธรรมต่องั้งภายนอกและภายในใจเราไหมภายนอกเนี่ยเราเที่ยงธรรมต่องที่ฝ่ายที่ทํากรรมดีและกรรมไม่ดีเรามีหน้าที่อะไรไหมล่ะมีหน้าที่ตํารวจก็ไปจับมีหน้าที่ทหารก็มีหน้าที่เป็นในป้องกันเป็นหน้าที่ของอายการก็ฟ้องไปเป็นหน้าที่ผู้อาสาก็ตัดสินไปตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงว่าผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายด้วยใจที่เที่ยงธรรมพอถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในใจ ใจมันโปรมันโลกมันเบามันสบายชอบมากเลยใจไม่โปร่ไม่โลกไม่เป็นเบาสบายเกลียดมันมากเลยอย่างนี้เราเป็นคนไม่เที่ยงธรรมเว้ยเราไม่เที่ยงธรรมตั้งภายนอกเราไม่เข้าใจความไม่เที่ยงธรรมภายในใจเราเราจะไม่เข้าใจถึงความที่ว่าเราจะเราไม่เที่ยงธรรมกับภายนอกถ้าเรามีความเที่ยงธรรมต่อทุกกิริยาการภายในใจเราต่ออารมณ์ความรู้สึกเ่าเที่ยงธรรมหมดเป็นยังไงเราก็เห็นว่าเออเขาเป็นธรรมดาขณะนี้ทิ่ใจเป็นอย่างนี้ก็ธรรมดาต้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป เรื่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นของธรรมดาใจเราก็เที่ยงธรรมกับทุกอาการพอเราเข้าใจเรื่องของในใจเราเราก็จะเข้าใจภายนอกคือเราก็จะเที่ยงธรรมกับกับทุกสิ่งเราก็จะตัดสินคดีด้วยความที่ไม่ลำเอียงเที่ยงธรรมจริงๆนั่นแหละเพราะเราเข้าใจความเที่ยงธรรมภายในใจเราคืออุเบกขาเราเลยอุเบกขาต่อภายนอกได้ คือใจก็ไม่ใส่เพ่งโทษไทยไม่ตำหนิไทยแต่ทําหน้าที่ด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์เรียกว่ามีผู้มีใจเป็นธรรมนั่นแหละคือผู้บรบรลุธรรมแต่ความเป็นผู้อักสาเนี่ยแม้การศีลไม่ลําเอียงเป็นผู้เที่ยงธรรมแต่ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกภายในใจเราคือไม่เที่ยงธรรมต่ออารมณ์ความรู้สึกภายในใจเราจิต ด, ดีชอบจิตไม่ดีรังเกียจยิ้ลรอนผากใส่ย่างนี้คุณก็เที่ยงธรรมแต่ภายนอกตอนตันดินคดีแต่กลับไปบ้านก็ไม่เที่ยงธรรมต่อครอบครัว อย่างนี้ชอบไม่ชอบไม่เที่ยงธรรมต่ออารมณ์ความรู้สึกภายในใจคุณมีความไม่เที่ยงธรรมกลับไปบ้านภรรยาทําอาหารได้กินอย่างนี้โมโหทําไม่อร่อยอย่างนี้คุณก็ไม่เที่ยงธรรมแล้วคุณก็เที่ยงธรรมต่ออาการภายในใจมีอะไรเกิดขึ้นจะเที่ยงธรรมจิตเป็นยังไงก็หนุ่มก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าสมปกติเดี๋ยวอาการท้อง ใ, ใจมาถูกแก้บ้างถูกแก้บ้างถูกแก้บ้างไม่สุกแก้บ้างแลเรื่องปกติก็เหมือนกับโจทย์จํำเลยมันเข้ามาในบอลลังที่มันทะเลาะกันมาทีมาทีลวน ทนายความบางีก็ซักลวนไปลวนมาการกระสักลวนไปลวนมาเราทีม um, มีอารมณ์ก็อารมณ์เราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็มีความเที่ยงธรรมั้งกับอารมณ์ภายในเราเราก็เที่ยงธรรมเราก็รับได้แต่รับรู้ที่แจ็ติการว่าอารมณ์เราเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้คู่ความที่เข้ามาแต่ละคู่ความก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ความรู้สึกเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มีความเที่ยงธรรมต่อเขาเราไม่เคยเอาไอ้ความซีลวนของเขาเนี่ยเข้ามาตัดสินในคดีเราตัดสินคดีเราก็ไม่เคยเอาความที่เขา แค่ตีรวนเรามาเข้ามาตอบถิ่นเลยเราก็ตอบถิ่นตามข้อได้จริงได้ความเที่ยงธรรมนี่พราะถูกสอนกันมาถ้าเรามีความเข้าใจทั้งภายนอกและภายในใจเราเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้ง่ายๆเลยขอให้เรามีความเที่ยงธรรมจริงๆ<ม>เรามีความเที่ยงธรรมทั้งภายนอกและเที่ยงธรรมทั้งภายในเราก็จะพ้นทุกข์ได้เราเคยว่าท่านห น, นึ่งนั่งรถเราหน้าไปข้างหลังเราเขาบอกว่าเขามีความเที่ยงธรรมเราบอกคุณไม่เที่ยงธรรมโอ้เอาจารย์ทำไมว่าผมไม่เที่ยงธรรม ผมเห็นคุณนั่าปรับปรับแต่งแเนี่ยกูพยายามจะปรับปรับแต่งแต่งเอาแต่อาการของใจที่ดีอาการของใจที่ไม่ดีคุณรังเกียจอยู่เนี่ยกูพยายามดิ้นวนผักสายปรับแต่งให้อาการของใจไม่ดีหายไปดี๋วแตอ่อาการของใจที่มันดีๆที่มันโปร่งที่มันโล่งมันเบาสบายคูณจะเอามาหน้าเดียวแต่อีกหน้าหนึ่งคุณรังเกียจมันดีรักชจ่าช่างเกียดทุกรักสุกคุณเป็นคนไม่เที่ยงธรรมลาเอียงเขอตกใจโอ้จริงๆอาจารย์ ผมเลี้ยงผมเที้ยงทำแนละ้วเออคุณไม่เที้ยงนทำนี่แหละอุเบกขาไม่ใช่เฉยนะเฉยซื่อบื้อโง่ซะเยอะเอออุเบกขานี่มันมีใจมีใ จ, ม, ใ จ, ม, ใจมีปัญญาเนี่เพี้ยนทำแต่ทุกสิ่งอืหน้าที่ก็ทําไปในความถูกต้งขของแต่ใจจะต้องไม่เพ่งโทษใครไม่ตาหนิใครเออเขาเป็นอวิชชาเขาอย่างนี้แนะ่เขายังเป็นอวิชชาอยู่เขาก็เป็นอย่างนี้แนะ แตเรามีหน้าที่ต้องตับสินในที่ต้องจับก็จับไปมีหน้าที่เ้วก็รู้ไปว่าโลกเขาเป็นอย่างนี้คนทางเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใครดีใครชั่วเราก็รู้หมดมีความดีความชั่วอะไรต่างๆเราก็รู้หมดใครทําก็รับผลขอกรรมไปก็ทําดีก็ได้รับบุญกุศลไปทำความชั่วก็ได้รับบาปกรรมไปแต่ใจเราก็ไม่ตําหนิใครใจเราก็วางเปล่ามัจะเปล่ยตัวตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ชื่นชมคนนั้นชื่นชมคนนี้ตําหนิคนนั้นตําหนิคนนี้อย่างนี้ใจเราไม่เป็นธรรมไม่เที่ยงธรรมใจเราก็เลยไม่ว่าง ใจเราเลยเดี๋ยวคขับแทนใจเดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวขับแทนใจเดี๋ยวสบายใจใจมันเลยไม่ว่างเปล่าเพราะใจเราไม่ได้มีอะไรกับใครมันก็เลยว่างเปล่าแต่เราก็อ่านหนังสือที่งเก่าสารบ้านเมืองได้ตลอดแต่ใจเราเออห็นก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยเขาก็รับผลของกรรมเข้าไปเขาทำกรรมนี้ก็ได้รับผลของกรรมไปเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่สอนก็ได้เราก็สอนประกอบไม่ได้เราก็อุเบกขา ถ้าเข้าใจแบบนี้มันจะเข้าใจโลกเข้าใจธรรมธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุและผลสอนให้คนมีปัญญาให้เข้าใจเหตุและผลทั้งภายนอกและภายในไม่ใช่หรอกสอนให้เชื่อโดยไม่ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่ธรรมะสอนให้เหตุและผลให้เข้าใจเหตุและผลถ้าเข้าใจเหตุผลอ๋อเพราะมันเป็นอย่างเงี้เดี๋็กัวนี้ ไม่งั้นปฏิบัติทํามได้เข้าใจอะไรก็ซื่อบื้ออ ย, อยู่นั่นเอาใจเฉย เ, เราถามก่อนแจบตายเวลาปฏิบตัติตอบอยู่คําเดียวเฉยเฉยไอ้แบบว่าเอาใจไอ้ที่ตัวเองทําเนี่ยเอาใจฉันเคยทำผิดมะไก็ปิดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ฟังมัเราต้องแก้ไขนะแก้ไขให้มันถุกต้องเข้าใจไหย พอใจแล้วไม่ตําหนิบไม่เพ่งโทษใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ติดอิริยบถเอียงกันไปในความรักความสามไม่มีอะไรเลยมันก็ว่างเปล่าเบาสบายพราะไม่มีอะไรข้างในใจไม่ต้องขับแย่งใจกับอะไรมันก็เลยสบายว่างเปล่าเบาสบายมันได้มันไดเที่พักไม่มีที่พักไม่พอก็ออกเอาเต็นท์ไปกลางใช่ใช่เพราะว่ า, วาที่เขากว้าง ที่ที่ที่โคตงโลงเขาที่กว้างเอาเต้นไปกลางได้ที่ที่หวังม่วงเขามีที่พักเขาเขาเขาเอากลางเอาเต้นไปกลางก็ก็ก็สนุกดีเอาเต้นไปกลางก็สนุกดีแต่ที่หวังม่วงเขามีที่พักคุณนิดที่เป็นนั่นนะอะไรนะอรู้จักมั้ย เออเอออะไรนะรู้จักจำเขาได้จำเขาได้เออดีลดีเข้าไปในยูทูบไงพอหยุดเนี่ก็เข้ามาจะบ่อยเนาะเออในยู u ูบอ่ะเข้ามาฟังในนั้นเนีมันจะเข้าใจขึ้นเอาเข้าไปย่ยังไงเออเข้าเข้ามานแล้วก็ฟังแล้วมันจะ นึ่นคือก็พอฟังเราไปแล้วเนี่ยกลับไปไปฟังใหม่เนี่ยคบตัวทุกตั ว, วเดี๋ยวเข้าใจชัดเจนขึ้น 3, <ม>ใช่คือฟังครั้งหนึ่งเนี่ยเราว่าเข้าใจอย่างนี้อีกเดือนนึงเรามาฟังพอที่เลี้ยอีกเดือนเนี่ยอีกวันมาฟังครั้งที่สองเข้าใจเเหมือนเดิมใช่เรื่องนั้นแหะพอฟังครั้งที่สามไม่เหมือนเดิมฟั ง, งที่สี่ไม่เหมือนเดิม เรื่องเดียวเนี่ยฟังแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมเราจะรู้เลยไม่เหมือนเดิมอันจะเมื่มอก่อนเราไม่ไมเข้าใจแบบนี้ว่ะพอฟังอีกแล้วเข้าใจแล้วพอฟังอ้าวถ้าอยู่ว่าเราเข้าใจแล้วอ้ยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจนี่เราเปลี่ยนได้อีกเยอะเลยอ่าอย่างเงี้ยคือมันน่าแตกไม่เหมือนกับเอฟังอย่างอื่นบาีทิ้งไปเดือนหนึงกลับมาฟังใหมห่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยออา เราไปสังเกตดูว่าฟังแต่ same, mm. และครั้งไม่เหมือนเดิมเชื่อจไหมฟังแต่ละครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ละคงก็เปลี่ยนไปอีกแต่ละคงก็เปลี่ยนไปอีกไม่เหมือนเดิมหรอก mm. เหมือนกันเราไปอินเดียเนี่ยไปอินเดียแต่ละครัง้งมันไม่เหมือนกันพอไอินเดียครั้งนึ่งเห็นมีความรู้สึกนี้คนเลยไปหลายครั้งพอวันที่สองเอ๊ะความรู้สึกก็เปลี่ยนไปวันที่สามความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอีกไปก็ที่สี่ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปฮะภูมิจิตภุ่มธรรมเราเปลี่ยนไปใจเราเท่านั้นนเปลี่ยนไป น in ี่อื่ก็ไม่เปลี่ยนไปหลักคําสอนครับเหมือนเดิมแต่ใจเราจะเปลี่ยนไปใจเราเปลี่ยนไปฮะก็ไม่เทียงไม่เที่ยงภูมิจิตภูมิธรรมเราเปลี่ยนไปไงปัญญาเราเปลี่ยนไปโอปัญญาเราเปลี่ยนไปภูมิจิตภูมิธรรมเราเปลี่ยนไปพราเราไปเราสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปเราวางธรรมเราก็สัมผัสได้บางอถึงความเปลี่ยนไป เหมนกับตอนที่หนังพระเจ้ามหาสัสดาโลกพี่ว่าเจ้าอะไรวะพระยาศักมั้งยาศักดิที่จะกระโดดกระโดดหน้าผาตายพระเจ้าก็ม า, มาจับแขนรัดเอาไว้แล้วก็พระเจ้าประเทศสอนประเทศสอนปอุ๊บจิมันก็มากราบพระเจ้าของเป็นอาจารย์แล้วจิตมันก็สงบแล้วเข้าแล้วก็จิกันก็ปลอดโรออปรง่งถึงพระอาจารย์ก็ปลอดโปร่งเพราะปลอดโปร่งแลว้วพระเจ้าบอกว่าให้มองทิวทัศน์รอบตัวเองที่ โอ้โหทีวัตรทัดรอบตัวเองเนี่ยตอนนั้นจะกระโดดหน้าผานะเมื่อทีวัตรทัดรอบตัวเองมันมันสวยงามอย่างเงี้ยบอกตอนที่จะกระโดดฆ่าตัวตายเมื่อกี้เนี่ยเรามองเห็นความสวยงามของทีวัศน์นี่ไหมไม่เห็นอ้าวแล้วทําไมอ่ะทีวัตรเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยทีวัศน์รอบตัวเองที่หน้าผาเนี่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ทําไมตอนที่จะกระโดดหน้าผาเนี่ยเรามองไม่เห็นความสวยงามของทีวัศน์แต่ตอนเนี้ยเราได้ทีวัศน์รอบตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ทำไมเรามองเห็นเนี่ยดีวิชาที่มันสวยงามมีความสงบลมเยน็นมีความเงียบความสงัดความสงบลมเยน็นอะไรแล้วที่มันเปลี่ยนไปถือว่าใจเราเปลี่ยนไปนั่ น, นที่เธอถามเขาว่าไอ้ทำไมมันเป็ไม่เหมือนเดิมและนั่นแหละเพราะใจเราเร้่เปลี่ยนไปอตอนจะกระโดดหน้าผาเนี่ยมันใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งต่อพอมันพระพุทธเจ้ามาเทศน์โปดแล้ว ใจมันจะเป็นอีกอย่างมันมองเห็นได้สวยงามไปหมดเลยมีความสงบมีความธรรมชาตินั่นแหละดูมันสดใสมันเงียบมันสงบมันสงับมันที่รู้สึกว่านกร้องอะไรมันก็เพาะไปหมดมองอะไรมันก็เพาะสวยงามไปหมดก็แล้วไอ้ตอนทุกข์อยู่มองอะไรนี่มันขัดตาไปหมดไม่มองไม่มองเห็นความสวยงามมันคิดแต่เรื่องทุกข์ทุกขกขคิดแต่เรื่องเครียดจะกระโดดหน้าผาตายอย่างเดียวนั่นแหละไอ้สิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไป ธรรมชาติเ้าก็มีความสวยสดนันก็เป็นธรรมชาติตามปกติของเขาเนี่ยแต่พอใจเรามีความสงบลมเย็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าธรรมชาติมันสงบลมเย็นสวยงามในตอนเรามีความทุกข์เราหมดหมกมุ่นในตัวเราเองทุกทุกทุกเรเเียเรามองไม่เห็นธรรมชาติที่มันสงบลมเย็นสวยงามนั่นแน่ที่ที่ท่านกล่าวว่าเมื่อไหที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้เราจะป้นจับทุกข์ได้ พรธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาไม่เบียดเบียนกันเขาไม่มีกิเลสต่อกันดินน้ํามลมไฟธาตุพิษธาตจันเขาไม่ได้รับ ก, กันไม่ได้ชังกันธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุพิษธาตุจันธรรมชาติสสารสาเนี่ยเขาไม่ได้รับ ก, กันเขาไม่ได้เกลียดกันแต่กิเลสคนเนี่ยกิเลสสัพพะตะทั้งหลายที่ยังเรียนตายเรียนเกิดมันรักกันชังกันเกลียดกัน มันเลยแตกต่างจากธรรมชาติแผ่นดินเขาก็ไม่ได้รักน้ําเกลียดน้ําน้ําเขาก็อยู่บนแผ่นดินเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้รักแผ่นดินไม่ได้เกลียดแผ่นดินดินฟ้าอากาศลมแสงแดดพระอาทิตย์ประจันเทเขาก็ไม่ได้ลงเกลียดกันไม่ได้รักกันเขามีแต่ให้ประโยชน์กับผู้อื่นให้ประโยชน์ต่อทุกต่อทุกชีวิตบนโลกนี้ให้ประโยชน์แก่สกรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ความร้อนให้อบอุ่นให้น้ําฝนมาปลูกพืชผลให้น้ํามันได้กินให้อากาศไม่ได้หายใจให้แผ่นดินไม่ได้อยู่อาศัยให้แผ่นดินไม่ได้ปลูกปลูกพืชผลพุทธผลไม้มาให้เราได้กินให้แต่คุณประโยชน์แต่เขาไม่มีความรักและมีความชังต่อการทํานาดเมื่อใดที่ใจเราสิ้นความรักความชังเราก็จะมีแต่ความเมตตาให้ความประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเอาประโยชน์เสร็จแล้วว่าจะประโยชน์ผู้อื่น ควประโยชน์ตนก็คือทิ้นความรักความจังพอเราสิ้นความรักความจังเราก็กลายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่เขาไม่มีความรักความจังมีแต่คุณประโยชน์ให้ประโยชน์แต่ผู้อื่นก็คือช่วยเหลือผู้อื่นให้คนทุกข์เราก็เกิดเลยกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคือสิ้นความรักความจังมีชีวิตชีวเหลืออยู่ก็ทําแต่คุณประโยชน์ให้แก่ประโยชน์แก่ผู้อื่นให้ก็สิ้นทุกข์คนทุกข์ไปแน่เมื่อเราเนี่ย ตายแล้วเราเลยกลับไปเป็นหนึ่งเียวกับธรรมชาติเราไม่ถูกใครเอาไม่ถูกเยาว บ, บาลยมาทู่เราไปลงโทษกรรมบุญละบาปก็ไม่ก็เป็นโมฆะกรรมไปหมดไม่รู้จะไม่เกิดแล้วก็ไม่รู้จะไปใเอาไปทําอะไรอีก็จบที่ลงแน่ๆคือการถ่ายบากรมทั้งหลายก็ตามไม่ถึงมีต่อไปการถ่ายบาหรือจบกรรมก็คือจบทีใจเราแนนะ่ความจริงพระเจ้ามีอยู่แค่นี้นะความจริง คนไปคนใหม่ในความจริงนี้นไ่ไงในยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเราไปคิดในยุ่งยากสลับซับซ้อนเรามองธรรมชาติรอบตัวเราอเอาอยังไงเราเราทีเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัวเราได้ินฟ้าอากาศเขาก็ไม่มีความรักความชังต่อการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นเราละเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นไงเราสิ้นความรักความชังให้ประโยชน์ ผ, ผ, ผู้อื่นไหมอะเราประโยชน์ทําคุณทำประโยชน์ต่อผู้อื่นไหม ถ้าเราสิ่งความรักความชังทําคุณประโยชน์ผู้อื่นเราก็ตายแล้วเราก็กลับเราก็ตายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นเองเพราะตอนเรามีชีวิตอยู่แล้วก็ทำตัวเหมนธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีความรักความชางังที่จะทําคุณประโยชน์เพื่อคุณผู้อื่นไม่ก็พ้นทุกข์เจยิญล่าผู้อื่นเราก็เป็นแบบเดียวกับธรรมชาติพระอาทิตย์ก็ให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นแก่แก่โลกและจักรวาลทุกสัตวสิ่งไม่ละทิ้งรักมาที่ฉัารย์ก็ให้แสงสว่าง แกโลกแลจะจักรวาลแต่พวกชีวิตกสรรพสิ่งให้กําเนิดคือให้พืชพันได้เติบโตให้คนทั้งหลายได้เติบโตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เจริญเติบโตได้ไม่มีฝ้าพิการตายหมดแล้วเย็นแข็งตายหมดไม่มีน้ําก็ตายหมดแล้วไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดื่มน้ํา็ไม่มีไม่มีดินก็ไม่มีพืชพันธุ์ให้เราได้กินนั่นธรรมชาติเนี่ยเขาไม่มีความรักความจางต่อกันแต่เขาให้แต่คุณประโยชน์ผู้อื่น เม <necessary. S 2> so, ื่ท so ี่เราสิ้นความรักความจังชีวิตเราที่เหลือทําคุณประโยชน์แต่ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ทําเสร็จแล้วคือสิ้นความรักความจางที่เหลือชีวิตก็ทำคุณประโยชน์แต่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นในคนทุกข์ยิกว่าจะทิ้งอย่ายุไขตายแล้วคุณก็เป็นหนึ่งเดียวปัตธรรมชาติแล้วขนาดคุณไม่ตายคุณก็ใจคุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วคุณทำแบบเนี้ยตายแล้วคุณก็กลับไปเป็นหนึ่งเดียวปัตธรรมชาตินี่จะไปเรียนไหวตายเกิดตื่นตืนหายไปในธรรมชาติธรรมชาเลยแต่ว่าเนี่ยจิตญญณ ของพระติจ้าของพระธรรมทั้งหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วจิตวิญญาณก็ดับไปเหมือนดังเตลไฟที่สิ้นเชื้อหรือไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าแล้วก็ถูกเป่าดับพึ่บหายไปก็หายไปเลยหายไปในเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหายไปในธรรมชาติเราปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างนี้แ่ละไม่ได้ปฏิบัติอะไรปฏิบัติให้สิ้ความลักความจำทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านาเดินเดินชีวิตอยู่อย่างนี้ยต ล, ลอดไปดีกว่าจะตาย ก็จะมีคุณประโยชน์แก่ตัวล้วประโยชน์ต่อโลกนประโยชน์นชนต่อผู<ม>้อื่นเข้าใจยังอ่ะจะได้ไม่เข้าใจผิดๆทุกูก็เดินทางนแนว่วตามหลักธรรมนะเดี๋ยวในพักให้พอเหรอวันนี้นะครับกนให้พอแล้วา ขออนุภาพุณผานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะทุกคุณทำมาคุณกสังคุณี้ atem, othing, <summary. S 1> ุณามดีารดาคุณบาจารย์ท <IS> ุกคนมี <Antwort> ุงาความดีททุกท่านในมนุษย์ประเศต่างๆคนดจ้าหนาที่มีคนชาวต่งปะทั้งหมดและทุกท่านได้กระทำมาแล้วคุณงามความดีบดยมีทั้งหมดที่ทุกท่านและที่ข้าพเจ้าได้ทําทั้งหมดรวมศิบะเดชชาพุทธเจ้าเจ้ามารดาที่ทุกท่านจบคนจากทุกคนจากทุกคนจากทุกอย่างระบากทางกายและใจให้รู้ความเป็นธรรมย